ตอนนี้เวลาทํางานนะคะบางทีทํางานเราต้องอาจกับคนนี่ตอนที่เราเราพูดเนี่ยพูดไปพูดไปความหงุดหงิดมันก็ขึ้นขึ้นขึ้แต่พอพอหยุดวางหูโทรศัพท์บางทีเราลุกเดินออกไปมันก็จะขาดตรงนั้นเลยมันจะเห็นจิตร่วงเมื่อกี้มันไม่ใช่คนไม่ไม่ใช่โดนดีเออดีแล้วนะดูดีงั้นแหละตื่นได้เรืยๆแต่บางทีเห็นทุกข์แล้วมันก็ยังปล่อยไม่ได้มันสลัดไม่ออกมัน ไม่ได้ฝึกไม่ได้ฝึกสลัดนะฝึกรู้ตามความเป็นจริงก็ให้รู้ไปอย่างนี้แต่รู้ไ ป, ปนจนวันหนึงเราเห็นมันไม่ใช่ตัวเรามันทำงานของมันเองจิต<ม>จะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วเลือกไม่ได้เลยเรียนเพื่อให้เห็นความจริงนะไม่ได้เรียนเพื่อควบคุมริน่งบ้นบานไม่ต้องกลาบแล้สเสียเวลานั่ง น, นั่งให้สบาย วันนี้ดีกว่าทุกๆวันชัดแล้วก็ถี่กว่าทุกวันนะคะลินต้องเพิ่มความตั้งมั่นนิดนึงค่ะจิตขาดความตั้งมั่นอยู่นิดนึงดูออกไหมไม่ออกค่ะรู้สึกไหมมันเหมือนกระจายรู้สบายๆนะแต่ว่ามันออกนอกค่มันดูออกไปนอกๆมันดูเข้ามาไม่ถึงใจของเราค่ะตรงนี้ดูออกไหมที่หลวงพ่อบอกค่ะ ดูออกเพรไม่มีปัญหาคือการปฏิบัติเนี่ยในความเป็นจริงแล้วสภาวะอะไรเกิดขึ้นก็ได้ไม่เขี่ยไม่เลือกไม่เลือกสภาวะเพราสภาวะทั้งหมดแสดงใจรักเท่าๆกันนี่พอเราไปรู้สภาวะแล้วจิตเราเกิดยินดียินร้ายขึ้นมานะให้เรารู้ทันดงั้นถ้าเราไปเห็นจิตกระจายออกไปไม่ตั้งมัน่นรู้ว่าไม่ตั้งมัน่นแค่นี้ก็พอแล้วส่งต่อบไป ยัแยกระหว่างความคิดกับจิตไม่ออกอ๋อไม่เป็นไรนะอย่างเรื่องราวที่คิดเนี่ยอย่างสว่าเราคิดเรื่องคนนอนคิดเรื่องคนนี้นะพอเราคิดคิดไปแล้วเกิดความรู้สึกเช่นเราคิดถึงผู้หญิงคนหนึ่งเราเกิดความรู้สึกรักขึ้นมาเนี่ยให้เรารู้ทันความรู้สึกรักเนี่ยเรื่องราวที่คิดไม่สําคัญเท่าไหร่แต่พอมันคิดไปแล้วเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดโลภโกรธหลงอะไรเนี่ยให้คอยรู้ความรู้สึกตัวนี้ แต่ก็ถ้าเข้าใจแยกได้คือบางทีพอเรารู้ว่าเราคิดปุ๊บเราก็จะมัอนว่าเอาคิดอีกแล้วอย่าไปว่าเขานะจิตมีหน้าที่คิดเราเกิดมาเป็นมนุษย์จิตใจเราคิดเป็นเป็นบุญแล้วละ่ะ mm hmm. เราไม่ได้ฝึกไม่ให้คิดนะแ ต, แต่ว่าความคิดเนี่ยมันก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้ดำรงชีวิตอยู่กับโล ก, กได้รู้ผิด ช, ชอบชั่วดีได้ แต่พอคิดคิดไปแล้วเนี่ยคิดเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอะกุศลเนี่ยตัวนี้ให้คอยรู้ทันเหมันจิตจิตไม่ห้ามความคิดนะถ้าห้ามความคิดแล้วมันก็เฉยเฉยไปไม่มีสุขมีทุกข์ไม่มีกุศลอะกุศลอะไรเฉยเฉยไม่ไม่ได้ฝึกให้เฉยต่อเนี่อย่างตอนนี้ใจไหลไปคิดแล้วทราบไหมเนี่ยแค่รู้เท่าที่ไหลไปคิดแค่นี้พอละให้รู้ทันใจของเราที่แอบไปคิดไม่ใช่รู้เรื่องที่คิด เวลาที่เราอยู่กับโลกทำมาหากินอะไรเงี้ยเรารู้เรื่องที่คิดแต่เวลาเราปฏิบัติธรรมเนี่ยใจเราไปคิดไม่ห้ามมันออกแต่พอไปคิดแล้วเกิดความรู้สึกอะไรเกิดปฏิกิริยาอะไรคอยรู้ทันไงด้ได้สมมติว่าเราทำงานหรือเราคิดนี่้แล้วเราจะรู้ว่าเราคิดไม่เอาอย่าไปอ่า ไ, ไ, ไปทำอย่างนั้นธรรมดาของจิตรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวแต่ถ้าเขาเขารู้เรื่องที่เขาคิดแล้วเนี่ยเขาจะรู้กายรู้ใจไม่ได้ แยกกันแยกกันเวลาทํามาหากินต้องคิดหรือเวลาเรียนหนังสือต้องคิดนะคิดให้รู้เรื่องเลยจดจ่อกับงานแต่พอใจเราจดจ่อกับงานนานๆแล้วชักขี้เกียจอะไรขี้เกียจเนี่ยไม่ใช่งานนะให้รู้ว่าขี้เกียจให้รู้ก่อนรู้สึกนะที่หลวงพ่อพูดกันตอนก่อนหน้าเนี้ค่ะเรื่องที่ว่าจะเหนื่อยเหนือยค่ะอะไรนะี่ยที่เหนื่อยอะค่ะความ องก็มีเหนื่อยเหมือนกันแล้วก็องค์เข้าใจเราเป็นเพราะว่าองค์อ้วนเกินไปมันก็เลยเหนื่อยไม่หรอกแต่ว่า<ถ>พอเราหายใจเข้า<ถ>พอองค์จับลมหายใจเข้าออกสักสองสาครั้งก็เหมือนของพอพูดเมื่อกี้เลยก็เลยเอ๊ะหรือว่ามันไม่ได้เหนื่อยเพราะว่าอ้วนมันเหนื่อยเพราะว่าไม่หร<ถ>เเอเข้าใจ <c ười> คือการทาความรู้สึกตัวเนี่ยถ้ายัางไม่ชานาญนะเกิด ค, ความจงใจจะรู้สึกถ้าจงใจจะรู้สึกจะเหนื่อย เพิ้นหัดใหม่ๆ ห, หลายคนฝึกปฏิบัติใหม่ๆจะรู้สึกเหนื่อยเผลอๆไปแล้วสบายกว่าแล้วรู้สึกตัวแล้วเหนื่อยหัดใหม่ๆจะเป็นเนี้นบางทีมันตื่นมาตั้งนานแนะมันถึงว่าตอนตอ น, อตอนที่เราอย่าไม่ได้ลุกขึ้นมามมบางคนหน้าใจมันก็ตื่นมาทั้งคืนแล้วก็มี มันทำงานไปทั้งคืนนะตื่นขึ้นมาก็เหนื่อยนะเออตอนนี้เพียงคลายเอ่ยังไม่หมดนะรู้ออกไหมยังไม่หมดยังมีการควบคุมบังคับเหลืออยู่แต่ว่าเบากว่าแต่ ก, ก่อนถ้าเบาขึ้นมาได้เราก็มีความตุกน้อยลงน้อยลงถ้าปล่อยได้หมดแนละ้วก็สบายหน่อยส่งมาข้าหน้าเลย ีข้ามมาชกฟังหลวงพ่อกี่ครั้งหรือว่าอ่านหนังสือกี่รอบกี่เล่มก็ไม่มีความหมายถ้าไม่ได้เห็นเองนะคะเห็นความเห็นทุกในในลมหายใจอ่ะดีแล้วนะทํมามะมเรื่องเฉพาะตัวพระพุทธเจ้าหรือครูบาอาจารย์บอกแค่แต่วิธีเท่านั้นต้องไปเห็นเองถ้ายังแบบใดยังไม่มีปัญญาเห็นกายเห็นใจเป็นทุกข์นะไม่พ้นหรอก จะ เ, เห็นทุกข์ก็เห็นธรรมเลยถ้ายังเห็นว่ามันสุขบ้างทุกข์บ้างนะมันก็อยากได้สุขแล้วถ้าดิ้นที่จะหนีทุกข์ไปเรื่อยๆไม่เลิกดิน้นพราไม่เลิกดิน้นยใจจะไม่ถึงธรรมเพราะว่านิพพานเป็นความไม่ดิ้นรนนะเป็นมิสังขาหรือใจยัง อ, อยากอยู่ ย, ยังหิวอยู่อยากไดอารมณ์อยู่จะไม่ได้เลยไม่เห็นนิพพานนิิพพานเป็นความไม่อยากเป็นวิรานคะ การตราบใดที่ใจของเรายังมีความอยากอยู่ยังมีความดิ้นรนอยู่เราอย่งเข้าไม่ถึงมากผลนิพพานเรามีหน้าที่รู้ทันไปเรื่อยนะรู้ทันแล้วก็อย่าไปปรุงมันขึ้นมาให้เห็นขันท่าให้เห็นกายให้เห็นใจนี่แหละปรุงแต่งทํางานขันท่าเขาเป็นธรรมะที่ปรุงแต่งเรียกสังคตธรรมขันท่าเขามีหน้าที่คิดเลือกปรุงแต่ง ร่างกายมีหน้าที่ขยับไปยื่นเคลื่อนไหวหายใจเข้าหายใจออกกินอาหารขับถ่ายอะไรนี่นี่หน้าที่ของร่างกายเวทนามีหน้าที่สุขบ้างทุกบ้างเฉยเฉยบ้างสังขารมีหน้าที่ปรุงดีบ้างปรุงชั่วบ้างให้เขาทางานไปจิตก็เกิดดับไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใ จ, ใ จ, ใจอย่าแทรกแทรกเขาเราดูเขาไปเรื่อยดูไปจนเราเห็นความจริงเขาทํางานของเขาเองเขาไม่เกี่ยวกับเรา ใจไม่ดิ้นรนแล้วตอนนี้ใจวางแตง่ก็ไม่ต้องดิ้นหาความสุขไม่ต้องดิ้นหนีความทุกข์อีกต่อไปนะใจที่ไม่ดิน้นใจที่ไม่อยากไม่หิวโหวยนะี่นะจะเห็นนิพพานแตบใจที่ใจยังอยากยังดิน้นยังหิวโหวยอยู่ก็ไม่เห็นนิพพานทำไมมันดิน้นมันดิน้นเพราะว่ามันยังสําคัญมั่นหมายว่ากายนี้ใจนี้เป็นเรานะยังไปยึดถือว่าเป็นเราอยู่ฉนั้นเฝ้ารู้ลงไปที่ของจริง เห็นกายเห็นใ จ, เ, นใจเขาทางานของเขาทั้งวันทั้งคืนเขาทำกอกเ้าเองวันหนึ่งปัญญาแจ้งมันทําเองมันไม่ใช่ตัวเราหรอกตัดถอนความรู้สึกเป็นเราออกไปขันก็เป็นขันทําหน้ทานที่ของขันไปทำก็อยู่ส่วนทำจริงๆแล้วไม่ยากอะไรนะไม่ให้เป็นไปไม่ได้นะทันทิีคือเราไม่ได้ปฏิบัติโดยมุ่งหวังว่าจะต้องมีสติตลอดเวลา สติเป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันสติเป็นอนัตตาสั่งให้เกิดไม่ได้เหมือนกันบางครั้งสติเกิดบางครั้งไม่เกิดแล้วเราจะมาเห็นแค่เห็นสภาวะตลอดเวลาก็เห็นไม่ได้แล้วเพราะไม่มีสติมีบ้างไม่มีบ้างส่วนจะเห็นไตรลักษณ์หรือไม่เห็นไตรลักษณ์นี่ขึ้นอยู่กับว่ามีปัญญาหรือไม่มีปัญญาบางครั้งมีสติยังไม่มีปัญญาเลยมีสติแต่ไม่ประกอบด้วยปัญญาก็มี มีสติประกอบด้วยปัญญาก็ามีงั้นจิตที่มีสติเป็นกุศลแล้วเนี่ยนะยังมีสองชนิดพวกหนึ่งเรียกว่ายานสัมปยุตประกอบด้วยปัญญาพวกหนึ่งยานวิปยุตไม่มีปัญญารู้โง่โงไ่ไปกันรู้ซื่อบือไ้ไปรู้เนื้อรู้ตัวไม่เผลอไม่หลงนะรู้ตัวอยู่เฉยเฉะแต่ว่าไม่มีปัญญาไม่เห็นใจรักของรูปของนามแต่เบื้องต้นก็ให้รู้สึกตัวเป็นก่อนพอรู้สึกตัวเป็นขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้าสติ มันสภาวะของรูปได้รูปเคลื่อนไหวสติไปรู้ทันนะด้วยใจที่ตั้งมัน่นมีเงื่อนไขนะใจตั้งมัน่นสักว่ารู้สักว่าดูปัญญาถึงจะเกิดนะเพราะฉะนั้นสัมมาส ม, มาธิหรือความตั้งมั่นของจิตนี่เป็นเหตุ ใ, ใกล่ให้เกิดปัญญาตลอดไม่มีนะคำว่าตลอดไม่มีนะในสังสารวัฏไม่มีอะไรที่ถาวรหรอกจะตราบใดที่เรายัางสแสวงหาทำยังไงจะสติตลอดเวลา ทำไงจะมีสมาธิตลอดเวลาทำไงจะมีปัญญาตลอดเวลาเราคิดจะทำทำไมต้องทำเพราะว่าอยากดีทำไมอยากดีเพื่ อ, เ, อเราจะได้พ้นทุกข์นะเรื่องหลังสุดท้ายเลยคือเรา น, นั่นีอง่ารที่ภาวนานะต้องสบายกว่านี้จริงจังเกินไปต้องสบายนะการภาวนาเนี่ยถ้าจิตมันแนค้นแค้นคืดคืนนิดเดียวเนี่ยไม่ถูกแล้วละ่ะต้องสบาย รู้บ้างเต๋อบ้างอย่าพยายามรู้ตลอดเวลารู้ตลอดเวลาไม่ได้เพราะสติเกิดบ้างไม่เกิดบ้างไม่มีใครสั่งสติให้เกิดได้นะแต่อยากพูดทับไหมจะหัรู้ไปอย่างนี้นค่อยๆปรับนะค่อยๆปรับการปฏิบัติของเราไปเราจริงจังเพาเราเป็นคนจริงจัง เวลาเราลงมือปฏิบัติเราต้องการเรียนรู้ความจริงของกายของใจเราก็เอาความจริงจังมาใช้อีก้็ไปจัดการมันก็ไปจ้องใส่มันหรือพยายามจะรู้ตัวตลอดเวลาไม่ต้องพยายามนะตรงที่อยากรู้ตัวตลอดเวลาก็เป็นโลภะลนะแค่รู้ว่ามีโลภะรู้บ้างเผ๋อบ้างไม่เป็นไรการปฏิบัติธรรมเนี่ยหลวงพ่อไม่เคยเรียกร้องว่าต้องมีสติตลอดเวลา สติตลอดเวลาเป็นคำเรียกร้องซึ่งเป็นไปไม่ได้จิตจะมีสติหรือจิตไม่มีสติมีจิตดวงหนึ่งเป็นตัวเลือกนะเรียกว่าวุทัพนาจิตวุฒหพนาจิตเป็นตัวเลือกว่าต่อไปนี้จิตจะเป็นผู้ส่วนเลือกผู้ส่วนไม่มีสติหรือไม่มีสติเราเลือกไม่ได้เราจิตเขาเลือกของเขาเองแล้วทาไมเราต้องพูดเรื่องความมีสติเรามีสติขึ้นมาเพื่อจะรู้ว่าเมื่อกี้ขาดสติ ต้องการแค่นี้เองนะไม่ใช่มีสติเพื่อจะมีสติไม่ใช่มีสติเพื่อจะไม่ให้ขาดสติจำตามผ่านไหมหตรงนี้ไม่เป็นวักเพราะว่าธรรมะแสดงตัวตลอดเป็นกุศลบ้างากุศลบ้างหน้าที่ของเราก็ตามเรียนรู้ไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าต้องเป็นกุศลตลอดนะเป็นกุศลตลอดไม่ได้ไม่ใช่ความจริงเราไม่เป็นวักหมายถึงว่า ไม่ไปวาดภาพขึ้นมาว่าการปฏิบัติเนีจยต้องเข้าวัดเข้าคอร์สอะไรเวลานอกนั้นไม่ใช่เวลาปฏิบัติหรือการปฏิบัติต้องทําวันละหนึ่งชั่วโมงนอกนั้นไม่ต้องทำํำนี่อย่างนี้เรียกเบนบักแต่การที่จิตมีสติเผลอสติมีสติเผอสติแล้วเราตามรู้ไปเรื่อยๆนี่เรียกว่าไม่เป็นบักละไม่เป็นวักผู้ศนการผู้สนหมุนเวียนเกิดดับต่อนเนื่องกันไปเรื่อยๆตามรู้ไปเรื่อยๆ ไเว้นวักไม่ได้แปลว่าห้ามขาดสตินะห้ามไม่ได้อย่าว่าแต่จะทําสติให้เกิดตลอดเวลาเลยแม้เพียงสติหนึ่งขณะจิตก็ทําให้เกิดขึ้นไม่ได้สติจะเกิดหรือไม่เกิดต้องมีเหตุถ้าจิตจําสภาวะได้สภาวะที่จิตจําได้เกิดขึ้นสติก็จะเกิดขึ้นเองนี่เราปฏิบัติเนีัยไม่ใช่เพื่อจะต้องมีสติตลอดเวลาคนทั่วโลก หรือสัต์ทั้งหลายเนี่ยไม่เคยมีสติมีก็สติธรรมดาธรรมดาไม่ใช่สัมมาสติที่จะรู้กายรู้ใจมีแค่สติที่รู้อารมณ์ฝ่ายกุศลที่เป็นบัญญัติเท่านั้นหรืออย่างเก่งที่สุดเพ่งกายเพ่งใจสติเพ่งกายเพ่งใจเป็นสมถะเนี่ยมีสติอยู่แค่นั้นส่วนสติรู้กายรู้ใจไม่มีไม่ค่อยมีน้อยเต็มทีนั้นคนทั้งหลายไม่ได้ทํำมิปัสสนา คนทั้งหลายหลงอยู่ในโลกของความคิดหลงอยู่ในโลกของความฝันตลอดเวลาตื่นนอนหลับไปก็ฝันนะตื่นขึ้นมาก็คิดไปคิดก็คือฝันตอนตื่นนั่นแหละองค์ดูออกแล้วยังตอนฝันนะั่ก็คือคิดเนาะแต่มันคิดแบบอ่อนๆมันคิดโดยตาธาลมันนาจิตมีชื่อเรียกนั้น <laughs> เราไม่ต้องรู้ชื่อมัอนก็ไดนะ้มันไม่ได้อยู่ในชวนาจิตที่รู้ได้ชัดคิดอ่อนๆ ใ, ใจมันคิดทั้งวันทั้งคืนเมื่อรับใจที่ใจไปอยู่ในความคิดเนี่ยก็ไม่สามารถรู้กายรู้ใจแต่ความเป็นจริงได้เพราะกายกับใจเป็นของจริงเป็นปรมัตร์เมื่อไปรู้อารมณ์บัญญัติคือเรื่องราวที่คิดแล้วรู้กายรู้ใจไม่ได้นี่คนทั้งโลกเกิดมานะก็หลงไปเรื่อยๆนะหลงตั้งแต่ตื่นจนหลับหลงตั้งแต่เกิดจนตายในโลกไม่มีคนรู้สึกตัวนะที่หลงพ่อพูดอย่างนี้นะพูดใหม่ๆคนคอม็มนต์นะว่าดูถูกเหยียดหยาม พรักความเป็นธรรมเกลียดการดูถูกเกลียดยามรักสายลมแสงแดดทนไม่ได้นะแต่พอค่อยๆฟังธรรมะไปจนสติเกิดล้วจะรู้เลยน่าใจหายที่ผ่านมาในชีวิตของเราไม่ได้รู้สึกตัวจริงเราหลงอยู่ในความฝันตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนนี้พอเรามีสติแวบขึ้นมาเรารู้เลยที่ผ่านมาหลงไปแล้วพอรู้สึกตัวขึ้นมาแค่แวบเดียวเดี๋ยวก็หลงอีกความรู้สึกตัวก็ดับอีก จิตลงไปครั้งที่สองรู้สึกอีกแล้วก็จิตก็หลงครั้งที่สามทั้งวันเนี่ยมีอยู่แค่นี้เดี๋ยวเผลอ ER ไปเดี๋ยวรู้สึกเดี๋ยวเผลอ ER ไปเดี๋ยวรู้สึกไม่ใช่ฝึกเพื่อไม่ให้เผลอไม่ใช่ฝึกที่จะรู้สึกตลอดเวลาแต่ฝึกเพื่อจะรู้ว่าเดีย nombre, เด๋ยวก็เผลอเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็เผลอเดี๋ยวก็รู้ถึงจุดหนึ่งปัญญามันจะแจ้งขึ้นมาจิตจะเผลอ ER ห้ามมันไม่ได้จิตจะรู้สึกตัวสั่งให้รู้สึกไม่ได้จิตรู้สึกตัวแล้วรักษาไว้ จิตที่หลงไปเป็นอกุศลจิตที่รู้สึกตัวเป็นกุศลทั้งกุศลแรกกุศลล้วนแต่ไม่เที่ยงทั้งกุศลแรกกุศลล้วนแต่บัคคั Hence, บคไม่ได้เป็นอนัตตาเยเวลาจิตมัเข้าใจนะมันเข้าใจทั้งกุศลแรกกุศลนะว่าเป็นใจรักษ์เสมอกันไม่ใช่รักอันหนึ่งเกลียดอันหนึ่งถ้าเราติดสมถะเราทำสมถะเราจะรักอันนึงเกลียดอันหนึ่งแต่ถ้าเราทํำมิปัสสนาเราจะเห็นสภาวะทั้งหลายเสมอภาคกัน กุศ ล, ลเกิดแล้วก็ดับอ่ากุศ ล, ลเกิดแล้วก็ดับล้วนแต่บังคับไม่ได้ล้วนแต่เลือกไม่ได้ที่เห็นอย่างนี้นะถึงปัญญามันแจ้งเลยสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาพระโสดาบันเห็นตรงนี้เองธรรมะของพระโสดาบันคือเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไปแล้วถ้าตลอดเวลาเราไปรู้ไปนะเดี๋ยวรู้เดี๋ยวเพิดเดี๋ même. ยวรู้เดี๋ยวเพลิดถึงจุดหนึ่งปัญญาแจ้งจิตทุกชนิดทั้งดีและชั่ว เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนี่เรียนอย่างนี้นะทำไมเน้นที่จิตเพราะสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นตัวเราเหนี่ยวแน่นที่สุดคือจิตนะไม่ใช่คือกายนี่บางคนดูจิตตรงๆไม่ได้ดูกายมาก่อนใช้ได้ก็ใช้ได้เหมือนกันกายเป็นบ้านจิตเป็นเจ้าของบ้านเราอยากหาเจ้าของบ้านเราหาตัวเขาไม่เจอเราไปเฝ้าหน้าบ้านเดี๋ยววันหนึ่งก็จะเห็นเจ้าของบ้าน สุดท้ายแล้วก็ต้องเข้ามารู้ที่จิตนะว่าจิตเนี่ยเราเป็นสิ่งที่เห็นยากที่สุดว่าไม่ใช่ตัวเราร่างกายนี้เห็นได้ง่ายว่าไม่ใช่ตัวเราพระพุทธเจ้าถึงสอนบอกดูกรพิสูจน์ทั้งหลายภูตูชนที่ไม่ได้สดับสามารถเห็นได้ว่ากายไม่ใช่เราแต่เห็นไม่ได้ว่าจิตไม่ใช่เราตลำใดที่ยังเห็นว่าจิตเป็นเราสักยติทิฏจะไม่ขาดแต่ถ้าอะไรเห็นว่าจิตไม่ใช่เรานะสิ่งอื่นทั้งหมดเลยจะไม่ใช่เรา จิตนี่เป็นคนไปรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ทั้งตัวคนที่ไปรู้ยังไม่ใช่เราเลยสิ่งที่ถูกรู้มันจะเป็นเราได้ยังไงจะไม่ใช่เราอัตโนมัติทันทีเลยเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์หลายองค์นะอย่างหลวงพ่อเพียนหลวงพ่อเพียนหลวงปู่ ด, ดูลเลยเนี่ยสอนว่าการดูจิตเป็นวิธีที่รัดสั้นไม่รัดสั้นก็กิเลสเกิดที่จิตนะมรรคที่พ่านก็เกิดที่จิตปุถสชนอาคูชนเลยอยู่ที่จิตทั้งนั้นเลย ถ้าเราลากความเห็นกิตว่าจิตเป็นเราได้เราก็จะลากความเห็นกิตว่าขันทั้งหมดเป็นตัวเราได้จะละได้ถ้าเราปล่อยวางความยึดถือจิตได้จะปล่อยวางขันทั้งหมดได้เพราะถ้ายังหยิบฉวยจิตไว้ดวงเดียวเท่านั้นแหละจิตอันเดียวนี่แหละไปสร้างขันห้าอันใหม่ขึ้นมาได้อย่างลงสู่พบอันใหม่ก็สร้างขันนั้นใหม่ขึ้นมาได้แต่ถ้าเห็นว่าจิตนี้ไม่ใช่เราแล้วสลัดคืนจิตไปมันคือการทําลายเชื้อพันธของการเกิดอีก จะไปงอกเป็นขันห้าขึ้นมาอีกไม่ได้เพราะนการปฏิบัติเนี่ยถ้าเราเรียนรู้เข้าถึงจิตถึงใจได้นะก็เรียนเข้ามาเลยถ้าเรียนไม่ได้เราก็เรียนผ่าน ม, มาทางกายรู้กายไปเช่นเรานั่งยืนเดินนั่งนอนนะสมมติเรานั่งอยู่ก็ได้นั่งไปนานๆมันเมื่อยพอมันเมื่อยมันเริ่มเห็นจิตใจกระสับกระส่ายดูไปดูไปความกระสักบกระส่ายก็ไม่ใช่จิตอีกแล้วเป็นของที่จิตไปรู้เข้า นี่มันจะแยกแยกแยกในส่วนที่เห็นจิตขึ้ น, นทีแรกก็รู้กายไปนั่งไปเรื่อยๆก็เห็นเวทนาความปวดความเมื่อยพอมันปวดเมื่อยเราก็เห็นจิตที่มีโทสะจิตตานุปัสสนาที่จริงไม่ได้ดูตัวจิตตรงๆหรอกยังไม่ได้เห็นตัวจิตตรงๆหรอกเห็นจิตที่ประกอบด้วยกุศลและอกุศลยังเจือด้วยเจตสิกเนี่ถ้าเราดูต่อไปอีกเราเห็นเลยจิตที่มีโทสะ ก็ยังแยกออกไปได้อีกนะโทสะก็อันหนึ่งจิตก็อันหนึ่งนี่แยกตัวสภาวะออกละการที่เห็นตัวสภาวะกระจายตัวไปถึงขีดสุดได้เรียกว่าทรมานุปัสสนานั่นถ้าคนไหนยังดูไม่ได้ถึงขั้นนี้ก็ดูมาเป็นลำดับลาดับได้ดูที่กายก่อนอย่าให้เกินกายออกไปอย่างเดินจงกรมเห็นร่างกายเดินไปใจเป็นคนดูไม่ใช่เดินจงกรมไปรู้ว่าพื้นที่เราเหยียบเนี่ย ห, หรือแข็งเย็นหรือร้อนไม่จําเป็นนะเพราะไม่มีใครเห็นว่าพื้นเป็นตัวเราให้เรียนเข้ามาขอสิ่งที่เรียกว่าตัวเราดูลงไปเลยใ้ร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นของที่จิตไปรู้เข้าเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุที่จิตสั่งแล้วมันก็เคลื่อนไหวไปเดินนานๆมันเมื่อยหรือนั่งนานๆมันเมื่อยเเห็นอีกความเมื่อยเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาในร่างกายความเมื่อยกับร่างกายเป็นคนละอันกัน ความเมื่อยก็เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าไม่ใช่จิตอีกความเมื่อยไม่ใช่กายความเมื่อยไม่ใช่จิตเห็นอย่างนี้อีกพ่าความเมื่อยเกิดขึ้นมาถ้าสติปัญญาไม่ทันนะก็ม เ, มเกิดหงุดหงิดใจไม่สบายใจลาคาญใจอยากเปลี่ยนอิริยาบถโทสะเกิดขึ้นมาให้รู้ทันรู้ทันนี่เรียกว่าจิตตานุปัสสนาเห็นจิตที่มีโทสะต่อไปก็จะเห็นเลยโทสะก็อันหนึ่งจิตก็อันหนึ่งนะ จิตเองก็เกิดดับโทสะก็เกิดดับนี่เข้าไปสู่ธรรมานุปัสสนาแล้วสติปัฏฐานสี่นี่เดินเรียงลําดับอย่างนี้ก็ได้หรือถ้าใจมีกําลังแล้วรู้เข้าไปที่จิตที่ใจเลยที่เป็นกุศลอกุศลนี่เข้ามาจิตตาอนุปัสสนาเลยก็ได้คนไหนปัญญาแก่รอบแล้วไม่ว่าจะเดินมาด้วยเริ่มต้นด้วยกายหรือด้วยอะไรก็ตามสุดท้ายจะไปเจริญธรรมานุปัสสนาด้วยกันทั้งหมดเลยจะเห็นรูปประธรรมนามธรรมเกิดดับเกิดดับไป นี้เรามีกำลังเริ่มต้นตรงไหนก็เอาตรงนั้นและไม่ผิดหรอกแต่ต้องทำให้ถูกอยากจะรู้กายก็ต้องรู้ให้ถูกนะไม่ใช่ไปเพ่งใส่กายแต่รู้ท้องฟองยุบก็เห็นรูปมันพองรูปมันยุบใจเป็นคนดูไม่ใช่ไปเพ่งใส่ท้องรู้ลมหายใจก็เห็นเลยร่างกายมันหายใจเข้าร่างกายมันหายใจออกไม่ใช่ไปเพ่งใส่ลมหายใจให้ดูไปจะเห็นเลยกายมันเป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราเนี่ยค่อยๆแยกออกไปละ แล้วก็มาดูเวทนามาดูจิตที่เป็นกุศลน่ะกุศลแยกเอากุศลนะกุศลนอกไปอีกเหลือจิตอันเดียวเกิดดับอยู่ทางทวารทั้งหกเพราะฉะนั้นในธรรมานุปัสสนาเนี่ยเป็นเริ่มที่อายตนะคือแยกออกมาอยู่ในทวารทั้งหกไม่ยากเลยนะไม่ยากเลยสิ่งที่หลวงพ่อพูดพวกเรารู้สึกว่ามากมายไก่กองรู้ลงไปที่จิตอันเดียวแล้วจะรู้ทั้งหมดหลวงพ่อไปหาหลวงปู่ดูล ครั้งที่สองครั้งแรกไปหาท่านยิบสามกุมภาสองห้าเป็นวันมาฆ่ะสามเดือนถัดมาเป็นวันวิสาขะเห็นไหมไม่วันหยุดไม่เคยไปไหนเลยนะวันหยุดไปเดวัด <c oughs> วันวิสาขาไปหาท่านท่านแก้กรรมาฐานให้ละทำผิดชอบไปแทรกแตง่งเห็นหนักหนักเห็นแข็งแข็งต้อนตอนนะหาทางทำลายทาผิด ท่านบอกอันนี้ไปหลงยุ่งกับอาการของจิตมันไม่ใช่จิตหรอกไอ้ก้อนๆเสร็จแล้วท่านก็เทศจิตคือพุทธะให้ฟังจิตคือพุทธะใครเคยอ่างไหมจิตคือพุทธะจริงๆเป็นคำสอนของฮวงโปของท่านฮวงโปนี่หลวงปู ด, ดูลไปอ่านฉบับที่ท่านพุทธธ า, ธาตแปลท่านพุท ธ, ธาตแปล ท่านอ่านแ้วท่านก็พบ ว, ว่าเออโปโกเนี่ยถ่ายทอดสภาวธรรมได้เก่งแต่ข้อสภาวธรรมเรื่องจิตหนึ่งเนี่ยไม่มีใครเทียบได้เลยจิตหนึ่งถ้าพูดอย่างปริยัติหรือแบบเสรวาะเราเนะี่ยจิตของพ ร, าารนะอรหันต์เนี่ยคือมหาผู้ทรงจิตบอกว่าไม่มีใครแจกแจงสภาวธรรมจิตหนึ่งได้เหมือนโปงโก ท่านดูแล้วเมอมันสอดคล้องกับที่ท่านรู้ที่ท่านเห็นท่านก็เลยยืมค่อยคาของวงโกมาใช้บางคนเลยว่าท่านละเมื่อลิขสิทธิ์นะแต่รู้สึกท่านอาจารย์พุทธาธก็ไม่ได้ขออนุญาตวงโกนะแต่เป็นภาษาไทยอ่ะแต่จริงๆก็ต้องยกย่องท่านอาจารย์พุทธาธท่านไม่ควรไปเลือกแปลหนังสือเล่มนี้กับหมอกันหมอเสียงหมอันหมอเสียงช่วยท่านอ่านหนังสือที่ดีเล่มนี้ ที่หลวงปู่ดูนวท่านก็เลยจําตัดบางตอนมาท่านไม่ได้ท่องทั้งหมดนะท่านจาบางตอนท่านบอกบางตอนก็เยอะเกินเกินจําเป็นเอาบางตอนมาสอนท่านจะสอนสอนสอนหลวงพ่อก็ฟังไปด้วยความงงอะไรก็ไม่รู้ฟังไม่รู้เรื่องฟังไปจนท่านเทศจบนะเสร็จแล้วถามท่านหลวงปู่ครับที่หลวงปู่เทศมาทั้งหมดเนี่ยผมพอดูจิตอย่างเดียวได้ไหมต่อรองแล้วนะ เขไม่รู้จะปฏิบัติยังไงเท่นมาเยอะเหลือเกินครูเขาบอกว่าธรรมะทั้งหมดเนี่ยออกไปจัดจิตถ้ารู้ที่จิตเนี่ยนะก็จะรู้ธรรมะได้ทั้งหมดแต่จิตมีคุณภาพระดับไหนถ้าจิตระดับพระพุทธเจ้ารู้ธรรมะได้เยอะจิตระดับพวกเราก็รู้ได้พอสมควรนิดนิดห น, น่อยหน่อ ย, อ ย, อยพอเอาตัวรอดเพราะฉะนั้นถ้าเราเรียนเข้ามาถึงจิตถึงใจเราจะเห็นธรรมะเกิดขึ้นที่จิตที่ใจของเรา เดี๋ยวจิตก็แ ส, a, แสดงธรรมะเรื่องกุศลให้ฟังเดี๋ยวจิตก็แสดงธรรมะเรื่องอกุศลให้ฟังเดี๋ยวจิตก็แสดงธรรมะที่ไม่ใช่กุศลและอกุศลให้ฟังมันหมุนอยู่ทั้งวันนี็นไหมเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายห<ๆ>มุนอยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวเฉยเฉยไม่ดีไม่ร้ายหมุนอยู่อย่างนี้แต่ทั้งหมดที่เขาแสดงขึ้นมานั้นะเป็นเรื่องเดียวกันเรื่องเดียวกันคือเรื่องใจรัก เหมือนอย่างหลวงพ่อเทศนะเทศแต่ละวันเทศเทศไปจริงๆแล้วก็เรื่องเดียวเท่านั้นเองแต่สัมบัติสัมนวนนี้ยักย้ายตามคนฟังไปแต่ละวันจิตนี้ก็เหมือนกันนะยักย้ายแสดงธรรมะบางคนก็แสดงอัปคุสลเยอะบางคนก็แสดงกุสลเยอะแต่ทั้งกุสลทั้งอัปุ้นแสดงธรรมะที่เท่าๆกันแสดงไตรลักษณ์เท่าเท่ากัน ที่พวกเราไม่เข้าใจเราก็จะเอาแต่กุศลเช่นอยากให้สติเกิดตลอดเวลาไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้ฝึกอย่างนั้นหรอกแต่เราจะฝึกจนเห็นว่าทุกสิ่งที่เกิดมันแต่ดับทั้งสิ้นวันใดเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาถ้าเห็นอย่างนี้คือท่าสดธบรมเมื่อน้อยลงเพราว่าคุณพันทิพย์เพ่งมากขึ้นนะตอนนี้ติดเพ่งนะยังตระคองอยังรักษาจิตยังเพ่งอยู่ค่อยๆดูตรงนี้หลวงพ่อฝากเป็นกันบ้านนะ กรรมาฐานทั้งหลายแหลที่เราทํากันเกือบทั้งหมดเลยนะคือกรรมาฐานเพ่งกระทั่งที่เราบอกว่าทําวิปัสนาส่วนใหญ่ก็คือเพ่งเวลารู้กายก็เพ่งกายเวลารู้จิตก็เพ่งจิตหลายคนจะสำคัญผิดนะว่าถ้ารู้กายรู้ใจหรือรู้ขันห้าแล้วจะต้องเป็นวิปัสนาเสมอไม่จําเป็นนะจะเป็นรู้กายรู้ใจแล้วก็เป็นวิปัสนาได้ก็ต่อเมื่อเห็นความเป็นไตรลักษณ ใจถ้ารู้กายรู้ใจโดยที่ไม่ได้เห็นใจรักนั่นคือสมถะนะอันนี้มีอยู่ในตำราตำราเรียนนักธรรมเอกก็มีนะมีแลวสมถะเนี่ยไม่เลือกอารมณ์แต่วิปัสสนาเลือกอารมณ์อารมณ์ทั้งหลายเนี่ยมีสามอย่างอารมณ์รูปนามเป็นอาร ม, รมาณ์ปรามัดนะเรอารมณ์รูปนามคือขันหา น, ะนี่อารมณ์นิพพาน แล้วก็อารมณ์บัญญัติอารมณ์บัญญัตินี่คือเรื่องราวที่เราคิดขึ้นมาที่เรานั่งคิดทั้งหลายทั้งวันนี่แหละอารมณ์บัญญัติละอารมณ์มีสามชนิดเมื่อใดมีจิตเมื่อนั้นต้องมีอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งต้องมีอารมณ์นะมีจิตต้องมีอารมณ์การทําสมถะเนี่ยถ้าเรามีมานสิการน้อมใจเข้าไปรู้อารมณ์อันใดอันหนึ่งอย่างต่อเนื่องจะได้สมถะได้ความสงบของจิต เป็นอารมณ์ของสมถะใช้บัญญัติก็ได้เช่นเราพุโทโธพุโทโธไปนี่เป็นอารมณ์บัญญัตินะเราดูท้องของท้องยุบแล้วเราก็ภาวนาไปนะท้องเนาะยุบหนอไปด้วยนะนี่เป็นอารมณ์บัญญัติได้สมถะหรือสัมมาละหังนะมะพะทะอะไรนะหรือคิดพิจารณาร่างกายเป็นปฏิกูลเป็นอาสุพะใช้ความคิดเอาเป็นอารมณ์บัญญัติแค่อารมณ์บัญญัตินี่เอาไว้ทำสมถะ อย่างที่สองอารมณ์รูปนามถ้าเราเพ่งใส่รูปเช่นเราเห็นร่างกายเรานั่งอยู่เราเพ่งกายทัางกายเลยนะ <_' S 1> เราเพ่งไว้เพ่งนะแล้วเราจะขยับขยอะเราจะรู้ทั้งวันเลยเหมือนกับไม่เคยเผลอเลย <_' S 1> นี่เพ่งไว้นี่คือสมถะแต่ถ้าเราเห็นรูปนามอยู่แล้วเราเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนาม ออตัวนี้ไม่เที่ยนตัวนี้เป็นทุกตัวนี้เป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราทีนี้ถึงจะเรียกว่าวิปัสสนามันรู้แล้วปล่อยรู้แล้วปล่อยแต่สมถารู้แล้วจับปล่อยไปต้องไม่ตั้งใจปฏิบัติการที่ตั้งใจปฏิบัติแล้วมันก็เกิดการแลกลบปลอกขึ้นแต่ทั้งนิพพานนะอารมณ์อย่างที่สามคือนิพพาน น, พานิพพานก็ใช้ทำสมถะในเวลาที่จะเข้าผลสมาบัติ อ น, นของพระิยะนะไม่ใช่สมถะทั่วทั่วไปในเวลาที่จะเข้าฝนสมาบัติจะใช้นิพพานเป็นอารมณ์ถ้าจิตยังไม่ชำนิชำนาญในการรู้นิพพานเบื้องต้นพระริยะนั้นจะรู้รูปนามก่อนรู้รูปนามไปแล้วก็วางรูปนามไปแล้วจะเห็นนิพพานถ้าอริยะองใดชำนิชำนาญในนิพพานทำปัจจเจกขณะพิจารณานิพพานเนื่อง จิตจำจำนิพพานได้แม่นยำระลึกถึงนิพพานโดยตรงไม่ต้องไปผ่านรูปนามจิตก็จะเข้าสู่ผลสมบัติเพราะฉะนั้นอารมณ์ของสมถะนะไม่เลือกได้ทุกอย่างเลยอารมณ์บัญญัติก็ได้อารมณ์รูปนามก็ได้นิพพานก็ได้แต่อารมณ์ของวิปัสสนาเลือกต้องรูปนามเท่านั้นอารมณ์บัญญัติไม่ได้เพราะไม่มีใครเห็นว่าบัญญัติเป็นตัวเราไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่คิด คิดปันป่นๆขึ้นมาสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็คือรูปกะนามกายกับใจนี่เองถ้าเราเรียนลงมาที่กายที่ใจจนละความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นเราเป็นทัศนบัณฑ์ละลความยึดถือกายยึดถือใจได้ก็เป็นพระอรหันต์เพราะนิพพานเรื่องอารมณ์นะเออไม่ใช่าวิปัสสนาในเรื่องอารมณ์แต่เลือกไปรู้รูปนามไปถึงชุดหนึ่งมันจะเห็นนิพพานรู้รูปนามแล้วไม่ใช่แทรกแต่งรูปนาม แต่เห็นว่าจิตมีอาภูษศ์หาทางละไม่ใช่นะรู้รูปนามตามที่เขาเป็ดเช่นเห็นว่าจิตเป็นภูษณ์บ้างอภูษณ์บ้างห้ามไม่ได้เลือกไม่ได้บังทับไม่ไดเ้เรียกว่าเห็นใจรักเห็นใจรักนะอย่างเนี้ยใจก็จะค่อยๆ ค, ค, คลายออกคลายออกในสุดวางวาง่าทันทีที่ใจมันวางความยึดถือขันขันตนสุดท้ายที่ยึดถือไว้คือจิตนั่นเองที่ยึดถือจิตที่สุดเลย วางยากที่สุดของอื่นวางง่ายเพราะเห็นว่าเป็นของถูกรู้ถูกดูจิตนี่เป็นคนรู้คนดูวางยากพอวางไปปุ๊บมันจะรู้ทันทีว่ามันหลุดพลล้นล้วคือมันหลุดจะออกจากขันแล้มันหลุดออกจากอาสวะที่ห่อพุ้มจิตละจิตมันจะมีอาสวะห่อพุ้มจะรู้เลยว่าหลุดพลล้นล้วชาติคือความเกิดสิ้นแล้วชาติหมายถึงอะไรชาติหมายถึงการได้มาซึ่งรูปนามนั่นเองการได้มาซึ่งอายตนะ อะไรพระจิตไม่หยิบช่วยรูปนามขึ้นมาอ่ะชาติถึงสิน้นละพรหมจรรย์อยู่จบแล้วพรหมจรรย์ก็คือการศึกษาปฏิบัติธรรมประกอบด้วยการศึกษาเรื่องศีลเรื่องจิตเรื่องปัญญาศีลสิษยาจิตสิษยาปัญญาศิกขาจนปัญญาแจ้งละรู้ความจริงหมดระวางได้ละพรหมจรรย์คือการศึกษาเสร็จ ล, ละก็พระตาละหันเท่านั้นที่เรียกว่าจบการศึกษาละเป็นอาศัยขบุคคลไม่ต้องศึกษาละเรียกว่าจบพรหมจรรย์ เออจิถ้าทำไมรู้ว่าจิตกระจายละ่ะนั่นแหละมันรู้อยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันไม่ได้อย่างใจใช่เ อ, อรู้อยู่แล้วไม่งั้นจะรู้ได้ยังไงว่ากระจายใช่ไมมันกระจายไม่ชอบอยากให้ตั้งมัน่นตัวนี้ต่างหากที่มีปัญหาไม่ใช่ดูไม่ได้นะดูได้แต่ไม่ชอบเ อ, อ้าใครมีอะไรจะคุยเชิญ เ, เดี๋ยวคนนี้ยกก่อน ใจต้องแกันกับจิตดับต้อมกันกับจิตก็ดับไปด้วยกันมันเป็นตัวย้อมจิตปรงแต่งจิตถ้าจิตนี่เป็นธรรมชาติรู้ไม่ดีไม่ร้ายอะไรเป็นกลางกลาแต่มันจะดีมันจะร้ายขึ้นมาเพราะสิ่งที่มาประกอบมันนี่ว่าเจตสิกเจตสิกฝ่ายชั่วคือกิเลสทั้งหลายมันเติมมัลงไปเหมือนจิตนี่เป็นน้ําบริสุทธิ์น้ําใสใสไม่มีสีนะเอาสีดำใสลงไปก็เป็นสิ่งสกปรกไป เติมน้ำหอมลงไปแหมกลายเป็นของดีขึ้นมาล่ละเรนกุศล น, นกุศลเนี่ยไม่ใช่จิตเป็นสิ่งที่เติมลงไปเรียกว่าเจตสิกเต่ซร้อมกันดับพร้อมกันรู้ว่าเรามันเดียวกันเชนยมโยมผู้ชายอโอก็ตะกอนเคยเป็นตำแหน่งใหญ่ในบริษัทเชื่อว่าพูดอะไรก็ไม่ค่อยมีคนคัดค้าน พอหลังจากปลดกระเสียนก็มาอยู่กับภรรยามากขึ้นวันๆก็มีความคิดเห็นไม่ตรงกันบ้างอะไรก็คัดค้านกันก็เจ็บอารมณ์บางทีก็เกิดความเครียดความเครียดมาตลอดที่หลังก็เลยเกิดโกรธง่ายอพอก้าพูดอะไรไม่ถูกหูก็โกรธ รกระโกดบางทีก็ทําให้หัวใจเล่าร้อนกลางคืนก็นอนไม่หลับนี่เจ้อยากจะเรียนวนะ่าผมจะทํายังไงถึงจะคือโยมค่อยคอยสังเกตไปนะอย่างอะไรที่เราเคยชิน่ะเราจะทําได้เร็วขึ้นเรื่อยๆอย่าแต่เดิมเราไม่ค่อยโกรธพอเราโกรธแล้วเราโกรธบ่อยๆนะมันจะโกรธถี่ขึ้นถีดขึ้ น, น, น, นต่อไปอะไรนิดหนึ่งขัดใจนิดนึงเราก็โกรธ หลวงพ่อนะเป็นคนขี้โมโหนะก่อนเป็นคนขีโ้โกรธโกรธเก่งงั้นคุณ ท, ทันทีเนี้ยโมโหตึงตังตึงตังเลยแต่เวลาเราภาวนาเราเห็นความโกรธมันเกิดขึ้นมาคอยดูความโกรธเวลามันโตล่ขึ้นมาพอความโกรธมันพุ่งขึ้นมาเนี้ยนะใจของเราเร่าร้อนเราเห็นเลยคนแรกที่ทุกข์นะคือตัวเรานี้พอเรามีความทุกข์แล้วคนส่วนมากชอบระบายไปว่าว่าคนอื่นนะแล้วสบายใจเป็นวิธีผ่อนคลายความทุกข์ของเรา แต่อันนี้ก็เท่ากับเราเอาความทุกข์ไปให้คนอื่นมีวิธีที่สบายกว่านั้นก็คือถ้าใจมันพุ่งขึ้นมานะความโกรธมันจะพุ่งขึ้นมาจากกลางอกเนี่ยพุ่งขึ้นมาโยมก็คอยรู้มันไปเรืยไม่ใช่ให้ดับนะไม่ใช่เก็บกดนะแต่ตามดูมันไปมัจะเห็นมันพุงนพ่งขึ้นมาพุ่งขึ้นมาถ้ามันแรงมันพุ่งขึ้นถึงบัวเรานะเลื่อขึ้นหน้าเลยร้อนสู้ ซ, ซาเลยนะี่ถ้าเราเห็นมันพุ่งขึ้นมามันจะดับแต่อย่าอยากให้ดับนะ ทีแรกเราต้องค่อยๆหัดสังเกตไปพอความโกรธมันพุ่งขึ้นมาโยงไปดูนะเวลาโกรธเนี่ยดูซิมันพุ่งขึ้นเหมจาจกบอกไหมเนี่ยค่อยดูเห็นพลังงานตองมันมันพุ่งขึ้นถ้ารู้ทันนั้นมันจะค่อยๆ อ, อ, อ่อนแรงไปต่อไปความโกรธมันจะสั้นลงสั้นลงไม่ใช่ไม่โกรธนะยังโกรธแต่ว่าสั้นลงความรุนแรงน้อยลงเวลาเราโกรธมันเหมือนไฟไหม้เหมือนกันจุดตั้งต้นของไฟไหม้อาจจะไม่ขีดก้านเดียวเองแต่พอดูไม่ทันเนี่ยไฟติดไหม้บ้านดับไม่ไหว ความตรวจนี้ก็เหมือนกันถ้าเราดูไม่ทันมันตัวใหญ่แล้วเนี่ยสู้มันไม่ไหวแต่ถ้าเราเห็นตั้งแต่มันเริ่มเกิดขุดขึ้นมากลาง อ, อกนะแวบบเหมือนจุดไม่ฉีดขึ้นมาถ้าเห็นตรงนี้มันจะดับตรงนี้ดับง่ายต่อไปเราจะค่อยๆเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าทุกครั้งที่โกรธเนี่ยนะความทุกข์มันเกิดด้วยคนแรกที่ทุกข์คือตัวเราคนที่สองที่ทุกข์คือภรรยาเราไปดูไ ด, ไ ด, ได้แล้วไม่ค่อยหายเองตายออกทีหลัง แต่ใช้เวลานะใช้เวลามันวางไม่ได้เออมันไม่ใช่แก้วเนี่ยเนาะมันมันวางไม่ได้ส่งไปข้างหลังเลยเดี๋ยวโดนต่อว่าว่าเวียนอยู่แต่ข้างหน้าอ่เดี๋ยวเดี๋ยวพูดใส่ใหม่เลย ไม่หรอกก็มีไม่หลายอันนะแต่ให้ใช้อันเดียวเดี๋ยวเกิดพูดปลอมๆกันตีกันเวลาเราสนทนากับผู้อื่นอยู่เวลาคุยคุยอยู่เราก็จะเห็นความขัดเคืองใจมันแวบขึ้นมาอืจิตมันจะไล่ทันสติสติจะไล่ทันจิตสติปุ๊บมันจะเห็นความโกรดนิดเดียวเนี่ยมันดับไปพร้อมกับที่จิตดับไปก็จะเป็นอารมณ์อื่นแทรกเข้ามามันจะเกิดดับเร็วอนั่นแหละนะเนี่ยจิตกับใจจสิกมันเกิดด้วยกันความโวรธมันเกิดร่วมกับจิตดวงนี้สติเกิดขึ้นปุ๊บจิตดวงที่เป็นอกุศลดวงที่โกรธมันดับ ความโกรธก็ดับไปด้วยแต่เราไม่ได้ทําอะไรมันจะเห็นของมันเไม่ได้ทําสิถ้ายังทําอยู่ยังใช้ไม่ได้แล้บางครั้งเราเหมือนเรารู้สึกเหมือนเราไม่รู้ตัวครับแล้วเราก็จะเอ๊ะเราหลงหลงไปนานขนาดไหนเราจะบอกไม่ได้แลยไม่รู้ว่าเราหลงรู้หรือเปล่าครับอย่างเงี้ยครับแต่นั้นหลงไปแหละนั่นคือหลงไปใช่ไหมครับไม่รู้สึกตัวไม่รู้สึกมันหลงไปมันหายไปนะช่วงนั้นบางคนบอกเนี่ยอากาลิโกไม่มีเวลาไม่ใช่นะแต่ก็ยัง มีความรู้สึกว่าบางครั้งพอเรารู้สึกตัวแว บ, บขึ้นมาเนี่ยเราเหมือนเราตั้งใจมันจะมีเพ่งนินดๆติดอยู่<อ>ในใจเราตลอดแต่แล้วเพราะว่าเคยชินที่จะปฏิบัติคนที่ไม่เคยปฏิบัตินะพอหลงไปพอรู้ว่าหลงเนี่ยจะพอดีนี้พวกนักปฏิบัติเนี่ยพอหลงไปขนาดนั้นเป็นอกุศลตรงที่รู้ว่าหลงเป็นกุศลถัดจากนั้นกลัวหลงก็จะเพ่งอ้อยดึงเอยตัวนี้ปิดอีกลแล้วเราก็รู้แค่เพ่งแค่เฉยไม่ต้องทำอะไรต่ออรู้ว่าเพ่งไปถ้ามันเพ่งนานๆแล้วชักลาขาดมันก็รู้ว่าลาขาด อยากให้หายหรือว่าอยากให้หายนับคุณหมอคมสั่นไปแล้วครับอย่างทุกวันนี้รู้สึกว่าเวลาสัมผัสกับโรคภายนอกครับมันเป็นช่วงที่สั้นมากเี๋ยเวลาขับรถรู้ว่าประมาทมากเพราะว่ามองผ้าตรงหน้านี่มันช่วงแวบเดียวเราก็จะแวบๆไปเรื่อยๆแล้วก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนไปหูฟังนี่ก็ฟังแค่แวบเดียวเหมือนกันอย่างฟังเทศหลวงพ่อก็จะฟังฟังช่่รรู้เืองสันมากครับทางไม่รู้เรื่องรเรียกว่าบรรลุละประสบความสําเร็จในการฟังแล้ว เราเห็นเลยจิตมันเกิดดับเกิดที่ตาดับเกิดที่หูก็ดับทีละกษณะทีละกษณะขน า, ขนาดเดียวเพราะฉะนั้นชีวิตที่ลงปัจจุบันนะจะไม่มีอะไรเลยว่างแต่ไม่ได้ฝึกเพื่อจะอยู่ตรงนี้นะตรงนี้เป็นทางฐารเพื่ออบรมให้ปัญญากเกิดขึ้นให้ เ, เห็นเลยว่าจริงๆแล้วทุกอย่างไหลามาแล้วก็ไหลไปเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับ คือรู้สึกว่ามันสิ่งที่เราเราสัมผัสเนี่ยครับมันกลายลเป็นว่าเนล็กนิดเดียวครับนิดเดียวอย่างเวลาเรามองหน้าใครนะเราก็มองนิดเดียวนะรู้สึกไหมมองเป็นจุดเล็กๆอ่กอว่าจะเต็มหน้านี่มองทั้งหลายรอบเนลยอาศัยสัญญามาประมวลภาพของจิ๊กซอเนี่ยขึ้นมาหรือบางคนเสี่ยงเงินแตทงๆไปเที่ยวเมืองนอกนะโอหถ้าสติไวๆจะรู้เลยขาดทุนตามองเห็นวับดับแล้ววับดับแะ ก็โหขาดทนมากเลยหรือไปกินข้าวร้านอาหารที่มีนักร้องนะสมัยโบราณเดี๋ยวนี้ไม่รู้มีแบบสมัยก่อนจะมีนักร้องสวยๆด้ว ย, ยนะมัวแต่ดูความสวยก็ไม่ได้ยินเ็ร้องแล้วก็กินข้าวไปด้วยก็ไม่รู้รสขาดทุนยับเยินเลยงั<ม>้น<ม>ถ้าจะเสียเงินไปดูก็ดูลูกเดียวเลยดูก็ไปไปกินก็กินให้มันอร่อยไปเลยก็จริงจริงจิตสัมผัสโลกได้นิดเดียว หลวงพ่อเคยรู้สึกอนเนตขนาดมากเลยไอ้พวกพี่อยากใหญ่อยา ก, ยากตัวมันอยากเป็นนายกมันอยากเป็นเจ้าโลกมันจะเป็นได้ไงมันสัมผัสโลกได้นิดเดียวสัมผัสโลกได้จีเดียวนะมองก็มองได้จีดเดียวโง่แท้ๆอยากจะคลองโลกทั้งโลกอะไรยเงี้ยหรือคลองทั้งประเทศจริงมันคลองได้ที่ไหนมันสัมผัสได้แวบนอนเหนื่อยแทบตายนะคลองแวบดูทีลักษณะกินไม่เอาแล้วนะ ก็สึกหายโง่คุณแต้มเอาเสนอทำด้วยทำดูค่ะดีแนละ้วคุณแต้มนีดาวใช้ได้ แ, แต่ดาวลงนิดนึงคุณแต้มรู้สึกว่าปัญหาเกิดขึ้นตลอดเวลาเลยตั้งแต่ตื่นนอนใช่เดี๋ยวก็อยากดูเดี๋ยวก็อยากฟังนะเดี๋ยวอยากรู้เรื่องก็ไปคิดอยากโน่นอยาก น, น, ากนี้อยากมีหกมัน อยากได้รูปเสียงกลิ่นรสรสชาพิความมารมณ์นั่นเองตัณหาเนี่ยเวลาเราเรียนภาคปริยัตมีตัณหาสามแบบสามอย่างการมาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาการมาตัณหาเนี่ยอยากได้อารมณ์ภาวะตัณหาเนี่ยอยากให้อารมณ์นั้นถาวรวิภาวะตัณหาเนี่ยอยากให้อารมณ์นั้นขาดสูงไปอีกความอยากสามแบบ ในขั้นของการปฏิบัติเราเห็นตัณหาหกแบบอยากได้รูปอยากได้เสียงอยากได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสอยากได้ทำมารมณ์เนตตัวหกตัวนี้จะหมุนจีเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นตัวนี้ได้คุณแต้มดูตัวนี้ไปเลยจิตมีสองชนิดเท่านั้นคืจิตที่มีตัณหาแต่จิตไม่มีตัณหาเหลือสองชนิดหนึ่งคืออย่างนี้ก็ใช้ได้เวลาเราทํากรรมฐานเราไม่ได้ทําเยอะ เราเห็นว่าจิตมีสองชนิดคือจิตมีตัณหาก่ะไม่มีตัณหานี้ครอบคลุมจิตทุกชนิดแล้ะมีจิตมีโลภะแต่จิตไม่มีโลภะนั่นเองหรือคนไหนใจลอยคิดแอบไปคิดบ่อยๆเนี่ยให้รู้ทันจิตที่มีโมหะจิตหลงไปคิดจิตมีสองชนิดหนึจิตที่เปิดไปคิดกับจิตที่รู้สึกตัวมีสองชนิดเพะฉะนั้นเวลาเรียนเนี่ยเราเรียนนิดเดียวเป็นการเรียนแบบสุ่มตัวอย่างถ้าเข้าใจ Hmm. สองตัวที่เราเรียนแล้วเนี่ยจะเข้าใจทั้งหมดเราเห็นจิตสองชนิดจิตที่เผลอไปกับ like จิตที่รู้สึกตัวมีแต่เกิดแล้วก็ดับจิตทั้งหมดจะเห็นว่าเกิดดับจิตที่มีปัญหาเกิดขึ้นแล้วก็จิตที่ไม่มีตัญหาเกิดขึ้นสลับกันในี่สุดเราก็จะเห็นว่าจิตที่ครั <S <S ้งที่มีตัญหาและไม่มีตัญหาก็เกิดแล้วก็ดับจิตทั้งหมดเกิดแล้วก็ดับที่จริงๆเรียนแบบกลุ่มตัวอย่างนะมี case study นะ ดังนั้นการเรียนธรรมะของศาสนาพุทธเรียนแบบงานวิจัยเวลาเราทำสติปัฏฐานทำเหมือนงานวิจัยนะถึงเรียกว่าทรมาวิจัยทรมาวิจัยะวิจัยธรรมะสิ่งที่เรียกว่าธรรมะคือรูปนามกายกับใจเรียนกายกับใจเรียนกายบางอย่างนะถ้าเข้าใจกายบางอย่างที่เป็นเคสเป็นตัวอย่างแล้วเนี่ยจะเข้าใจกายทั้งหมดเรียนเวทนาบางอย่างถ้าเข้าใจแล้วเข้าใจเวทนาทั้งหมดเรียนจิตบางอย่างเข้าใจแล้วเข้าใจจิตทั้งหมด เรียนหน่วยย่อยๆนี้แหละถ้าเข้าใจแล้วเข้าใจทั้งหมดเหมือนอย่างนักวิทยาศาสตร์สมมติว่าเรียนเรื่องอะตอมเห็นการทํางานการเคลื่อนไหวภายในอะตอมกับจักรวาลเคลื่อนไหวลักษณะเดียวกันหน่วยย่อยหรือหน่วยใหญ่ก็แค่อย่างอย่างพุทัธตื่นนอนมาเนี่ยอยากสีฟันเนี่ยนี่ก็คือความอยากนช่คะเออเราอยากสีฟันเราก็รู้แล้วเราก็ไปสีฟันตามรู้ แต่ว่าต้องฝีก็คือตามดูกายต่อใช่ไหมคะต้องรู้ทันใจกันบางคนโรคจิตนะสีมันทั้งวันอ่ะออย่างนี้เราก็รู้ทันนะมันเกิดแล้วเกิดจําเป็นแล้วยิ่งพวกหมอนะหมอบางคนเป็นนะไม่รู้หมอนี่เป็นป่าเป็นหมอล้างมือทั้งวันเลยล้างอยู่นั่นแหละล้างจนเป็นโรคจิตอ่ะนี่เราก็รู้ทันความอยากอันเนี้ย เกิดขึ้นมารู้ทันความอยากดับไปเหลือเหตุผลแล้วสมควรทำก็ทำเบอร์สี่หลวงพ่ อ, พอขอบคุณนะเมื่อวานช่วยพาคนงานที่วัดไปหามหมอเกิดโดนไม้ไผ่แทงเอาแต่เล็กนิดเดียวแติดเชือ้อไม่บอกนะเป็นมาสิบวันเมื่อวานนะี้อูบาเห็นเ อ, อ๊ดมันเดินค้ากรักเพ็กกระเปลกแล้วมันลามขึ้นมาตํบน้าเหลืองเลยดีไม่ตายนะ ไม่เห็นนายวันนั้นเนื้อตายได้ในคุณเบอร์สีเนี่ยพาไปหามารับแม่นไม่เน่าเดียวไม่เน่านะแต่ถ้าเชื้อมันลามไปทั้งตัวสุดท้ายตัวจะเน่า้าไปถึงไหนแล้วเน่ามันมีน่าวันนี้ทั้เรียนอยู่แต่ทั้งหน้านะไปไม่ถึงทั้งหลังว่าไงค่ะก็มีเผลอคิดนะแต่คิดเผอคิดเป็นธรรมดา แล้วก็เถออกับรู้ว่าไม่ไม่เถออแล้วก็สองอารมณ์เห็นชัดขึ้นดีแล้วอถอะฝึกแค่นั้นก็พอแล้วแล้วส่งไปส่งไปที่หลวงพ่อเคยสอนว่าขณะที่เราตามรู้เนี่ยถ้าเรารู้ก็คืออารมณ์มันจะเบาโปร่สบายคือ <Okay. S 2> ถ้ารู้ก็คือจะรู้สึกปล่อยเบาสบาย <Okay. S 2> แต่คือเท่าที่ฝึกดูนี่เหมือนกับว่า เราจะรู้สึกเบาสบายแต่เมื่อเราไปรู้อารมณ์ที่เราเพ่งอยู่หรือเครียดอยู่หรือหนักอยู่แต่ถ้าเราไปรู้อารมณ์ที่เราเป็นสุขอยู่เนี่ยจะไม่รู้สึกอะไรจะเฉยๆลยแล้วก็เมื่อวานเนี้ยพอดีไปที่กรมขนส่งทางบกอะค่ะก็โกละหอนมากที่นั่นก็พยายามตามดูตามรู้เหมือนมีความรู้สึกเหมือนเข้ามาเยอะอะค่ะจนจนรู้สึกว่ารับไม่ไหว ก็เลยกาหนดลมหายใจก็รู้สึกดีขึ้นก็ดีแล้วต้องฉลาดนะตอนไหนสู้ไม่ไหวก็ทำสมาธิตอนไหนสู้ได้รู้จิตได้รู้จิตรู้จิตไม่ได้รู้กายรู้กายก็ไม่ไหวทำสมถธิแต่ก่อนหลวงพ่อเข้าไปบางที่ก็เมาหมัด น, นะโดยเฉพาะที่วัยรุ่นเยอะๆศูนย์การค้า บ, บางแห่งล้วเข้าไม่ได้เวียนหัวเด็กเยอะปล่อยพลังงาน ความหลงอย่างรุนแรงออกมาเราเดินเข้าไปเออเดินแล้วเมาเรียกเมาคลื่นก็ดีอย่างนะทําให้ไม่ไปเิไม่ไปเที่ยวเพิ่งเริ่มต้นปฏิบัตินะครับหลวงพ่อทีนี้จะเกิดไม่จงใจที่จะรู้สึกตัวนะครับก็จะกลายเป็นว่าเผลอไปเลยทั้งวันเรื่อต้นเราต้องจงใจก่อน อารมณ์อันนึงมาเป็นเครื่องอยู่ของจิตก่อนเช่นเราท่องพุทโธไว้พุทโธพุทโธไปเรื่อยๆนะพุทโธแล้วก็คอยสังเกตจิตใจของตัวเองพุทโธพุทโธใจแอบไปคิดแล้วรู้ทันว่าใจหนีไปคิดแล้วไม่ห้ามนะไม่ว่ามันด้วยพุทโธพุทโธพุทโธใจแอบไปคิดแวบรู้ทันพุทโธพุทโธใจสงบรู้ทันพุทโธแล้วใจพุ้งซ่ารู้ทันหพุทโธไปแล้วก็คอยรู้ทันใจไปมันต้องมีงานอันนึงเป็นเครื่องอยู่ให้ก่อน ต่อไปสติมันจะเกิดเองการที่เราพึโทโธแล้วเราก็หัดรู้สภาวะเนี่ยจิตมันจะจำสภาวะได้พอจิตจำสภาวะได้แล้วต่อไปสติจะเกิดเองไม่ใช่สั่งให้มันไม่ให้เผลออะไรเงี้ยห้ามไม่ได้คือตอนเริ่มต้นนี่ใช้ความจงใจก่อนใช่ไหมเริ่มต้นปฏิบัติเยจงใจไปก่อนนะแต่จงใจที่แนะนำนะบริกรรมอะบริกรรมเนี่ยมันไม่มีที่จะเพ่งถ้าไปรู้ลมหายใจแนละ้วก็ชอบเพ่งลมหายใจ รู้ท้องไปเพ่งท้องรู้เท้าเพ่งเท้าเพ่งแล้เครียดเครียดมากๆเดี๋ยต้องมานั่งแก้ที่หลังขอบพระคุณครับอ่ตอนนี้ก็ตามดูอยู่นะครับแต่ว่ามีฟุงฟ้งฟเามันฟุ้งแล้วดืออกไห ม, ม<ด>ใช่ไ ด, ด, ได้ดีแล้วเมื่อสี่เมื่อสี่เมื่อหนึ่งลงอยู่สองคนครับรู้สึกว่าดีกว่าเมื่อเช้านี้แต่แย่กว่าเมื่อวาน ถุกต้องละมันมันฟุ้งกว่าเมื่อวานนิดหนึ่งมีโมหะนิดหน่อยค่ะพอาจารย์ก็อย่าเกลียดมันค่ะช่วงนี้รู้สึกว่าเหมือน ร, รู้ความจริงว่าเราหลงมากขนาดนั้นเลยเหอยเี้ยหลงมากใช่ไหมเออหลงในโลกหลวงพ่อถึงบอกวในโลกไม่มีคนรู้สึกตัวหรอกอมันมีแต่คนหลงนะแล้วมันน่าสงสารตรงเนี้ย กอนหน้านี้ฟังพระอาจารย์พูดก็ไม่ยินไม่เข้าใจว่าหลงนะขนาดนั้นมันต้องเห็นีเ <ใน S 1> องแล่วไม่มีคนรู้สึกตัวเลยโลกถึงขาดแคลนป้าริยะนะถ้าศาสใรจยังมีคนเจริญสติปัฏฐานทนะ่นโลกไม่ว่างจาับล่ารหัส ม, มุสติปัฏฐานหมายถึงมีสติรู้กายรู้ใจถ้าสติรู้อย่างอื่นไม่เรียกว่าสติปัฏฐานน ะ, ะคุณหมอ มีสองคำถามค่ะพระอาจารย์ก็คือเอมีอยู่ครั้งหนึ่งมันรู้สึกว่าเวลาเราคิดแล้วเราเห็นความคิดนะ่ะมันจะอยู่แถวแถวแถวแถวหัวเราเอาแต่ว่าเวลาอาการโกรธมันจะอยู่แถวแถวกลางแบบเออนั่นแหละหนูก็เลยอยากจะถามผู้รู้ว่าอันนี้มันคือจิตหรือว่าเจตสิกหรือว่ามันเห็นการเกิดดับทางอายตนะอย่างที่พระอาจารย์บอกค่ะ ถามผู้รู้ก็ต้องถามจิตตนเองนะจิตเราเท่านั้ผู้รู้นะคนอื่นไม่ใช่ผู้รู้หรอกมันรู้เฉพาะตัวมันเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นเป็นธรรมดาอย่างนั้นถ้าความคิดมันก็ต้องอยู่แถวแถวนี้ก็เราเราเห็นมันเราเห็นมันเราเห็นมันคิดแล้วเอาสมองให้คิดอ่ะส่วนตัวเนี้ยมันเป็นความรู้สึกที่ผุดขึ้นหลวงพ่อถึงบอกว่าอย่ามัวแต่ไปดูความคิดให้รู้ความรู้สึกแต่ความรู้สึกเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ก็อาศัยความคิดนั่นเอง เราคิดคิดเรื่องนี้ไปแล้วความโกรธมันพุ่งขึ้นมาให้เรารู้ทันหรือเราได้ยินเสียงเช่นภรรยาบน่นได้ยินเสียงภรรยาบ่นเนะความโกรธมันพุ่งให้รู้ทันความโกรธหรือถ้าเร็วกว่านั้นก็คือเราได้ยินที่หูแต่ความโกรธมันจะไม่เกิดไหมคะอย่าไปตรึงนะหลายคนพลาดตรงเนี้ยเอ่ไปสังเกตที่หูรู้ว่าหูเนี่ยเป็นช่องทางนะไปจ้องไว้ที่หูอันนั้นทํากรรมาฐานผิดแล้วมันเป็นการสกัดกั้นไม่ให้วิถีจิตนี้ทํางาน ยกเว้นว่ามันดักว่ารู้ของมันเองใช่ไหมถ้ามันรู้เองใช้ได้หลายคนทํากรรมฐานแล้วไปดักอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายไปจ้องเอาไว้จ้อยคอยไว้พอตาหูจมูกลิ้นกายกระทบอารมณ์เนี่ยไม่กระเสือนเข้ามาที่ใจก็คิดว่าใจเราเป็นกลางตลอดนี่ชลอยจะเป็นพระอรหันนะหันซ้ายหันขวานะหันไปดูที่ตาบ้างหันไปดูที่หูบ้างเห็นนั้นเรียกพระอรหันซ้ายหันขวา อย่างนี้เกิดเกิดใหม่แน่ใช่ไหมคะเกิดแน่นอนเกิดแน่นอนนะมีอีกคําถามหนึ่งค่ะคือว่าสามีเขาฝากมาถามพระอาจารย์ค่ะเขาบอกว่าทําไมฆ่าสัตว์แล้วบาปแล้วทําไมฆ่าต้นไม้ถึงไม่บาปอตอนต้นไม้มันไม่มีจิตต้นไม้มันไม่มีจิตค่ะหนูก็ตอบไปอย่างนั้นพี่เขาก็บอกว่าเป็นไปได้ไหมว่าพราะพุทธเจ้าไม่รู้ว่าต้นไม้คือสิ่งมีชีวิตเป็นไปไม่ได้หรอ แต่พระพุทธเจ้ารู้ว่าทําอะไรแล้วบาปหรือไม่บาปอย่างพระเนี่ยมีพระวินัยอยู่อันหนึง่งห้ามพลาดของเขียวหรือห้ามตัดต้นไม้นั่นเองแต่ที่ท่านห้ามเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าต้นไม้มีชีวิตนะเพราะพวกแขกมันถือว่ามันมีบินยาหรือห้ามพลาดขุดดินห้ามพรากขุดดินเพราแม่ธรณีอยู่เดี๋ยวไปเอาเสียมไปทิ้แม่ธรณีก็ อันนี้อันนี้ไม่ใช่บัญญัติของพระพุทธเจ้าใช่ไหมคะอะไรนะ้าพระขุดดินนี่ไม่ใช่บัญญัติของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบัญญัติเพื่ออนุโลมตามโลกอ๋อเพราะว่าตอนนั้นพระพุทธเจ้าอยู่ที่อินเดียก็ต้องออทําตามเนะจ้าของบ้านมันอย่างพระพุทธเจ้าอ่ะทำไมชอบนั่งสมาธิเพราะท่านเกิดในอินเดียถ้าท่านเกิดยุโรปนะเราจะเห็นพระพุทธรูปนั่งเ ก, ก้าอี้เอ้ยไม่แน่ใจว่าท่านจะไหวไหม หลวงพอครับบางทีสึกว่าเราตามรู้ตามดูแล้วเหมือนกับมันมีปิติเกิดเ อ, อได้ด้วยเหรอครับแต่เป็นอย่างนั้นแหละมันไม่ใช่ปิติหรอกมันเป็นสมนัติสมนัตเวทนามันเกิดพอเราหัดรู้หัดดูไปเรื่อยๆแล้วต่ไปพวาสติเกิดเองนะอยู่เฉยๆมีความสุขแผ่วขึ้นมามีความสุขแผ่วๆขึ้นมาเพราะจิตมันเป็นกุศลจิตที่มีสติน่ะเป็นจิตที่มีกุศล จิตที่เป็นกุศลเนี่ยมีเวทนาสองอย่างมีโสมนัสกับอุเบกขาจะไม่มีโทมนัสเวทนาไม่เศร้าใจไม่เศร้าหมองไม่เป็นทุกข์ไม่เครียดไม่มีโทสะขอบคุณมากครับเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนะให้ความสุขตลอดสายของการปฏิบัตินะ mm hmm. เบื้องต้นเลยฝึกไปฟังหลวงพ่อพูดไปจนสติเกิดแล้วจะมาพูดให้หลวงพ่อฟังได้เลยอยู่เฉยๆมันมีความสุข อยู่ใชยๆมีความสุขเฉยแถ่วขึ้นมาได้แล้วมีสติจิตมัเป็นกุศลจิตเป็นกุศลจิตมีความสุขไม่แค่มีสตินะถ้าจิตใจตั้งมั่นมีสมาธิมีความสุขประณีต้าอีกเวลามีสติมันมีทีลักษณะขณะสั้นๆแลง้นความสุขก็แผ่วๆขึ้นมาสั้นๆถ้าจิตทรงสมาธิมีความสุขยาวๆจิตเกิดปัญญาเนี่ยจะมีความสุขทีหนึ่งสองสามวัน เวลาจิตเกิดความรู้ความเข้าใจธรรมะเข้อใดข้อหนึ่งนะจะอิ่ม อ, อกอิ่มใจสองสามวันจิตเกิดวิมุตต์หลุดพ้นมีความสุขที่สุดเราเนี่ยมีความสุขตลอดวันตลอดคืนเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยจิตใจจะมีแต่ความสุขนะตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงที่สุดเลยแต่ในขณะเดียวกันปัญญาก็าอย่างรู้ว่าขันท่าเป็นภูมิ ปัญญาอย่างน้อยก็เห็นว่าขันห้านี้ทุกบ้างสุดบ้างพอปัญญาแก่กล้าก็จะเห็นว่าขันห้านี้ทุกล้วนๆเพราะฉะนั้นบางคนบอกปฏิบัติแล้วเห็นทุกอย่างไีก็ถูกต้องก็ราะเาเห็นขัหหนห้านี่ขันห่านี้ทุกล้วนๆเลยนะถึงจุดสุดท้ายก็ปล่อยวางขันหา้ามันทุกสุดขีดแล้วปล่อยวางขันหา้าไม่ใช่ว่าปฏิบัติเพื่อให้ขันห้าไม่เป็นทุกนะขันห่ายังไงก็ต้องเป็นทุก แต่ว่าพอปัญญามันแจ้งมันวางวางแล้วมันก็พ้นทุกข์คาว่าพ้นทุกข์ก็คือพ้นจากขันห้าเลยนี่จิตมันคลากออกจากขันจิตสําร้อกออกจากขันเนี่ยแระไตรปิดกใช้คําอย่างนี้ก็มีผมตามดูความคิดไปครับจ<ร>งใจนิดนึงนะครับดวบอกไหมมันรู้สึกดูไม่ออกครับช่วงนี้นนะจิตใจไม่ค่อยตั้งมั่นนะครับอะไรนะจิตใจไม่ค่อยตั้งมั่นนะครับจิตจิตมันมัวมัวดวบอกไหมไห ม, มันไม่ใสทีเดียว ดูออกไหมไม่ต้องทับเอาใจหลงก้อนะดูไม่ค่อยออกอ่ะเออหน้าสรภาพมาอย่างเงี้ยนะนะทับทับแล้วไม่เห็นสภาวะใช่ไม่ได้นะแต่ว่าผมดูใจลอยไปอีกแล้วทราบไหมเมื่อกี้เห็นครับเอออย่างเงี้ยแหละัดอย่างเงี้ยแหะใจไหลไปแฝงรู้ทันแฝงรู้ทันแต่ว่าถ้าถ้าดูสภาวะความคิดที่เห็นความคิดมันเกิดเองแล้วสภาวะถัดไปความคิดมันดับ มันเหมือนกับเห็นสภาวะเปลี่ยนแต่ว่ามันไม่รู้สึกตัวเหมือนตอนที่ไม่ไม่รู้สึกนะถ้าเห็นความคิดเนี่ยไม่รู้สึกตัวรู้สึกไหมความคิดเป็นของนอกๆครับเอ่อมันดูออกนอกไปอ๋อมันเหมือนกับไม่รู้สึกตัวเหมือนกับตอนที่พอพ้นจากสภาวะหลงมาเป็นรู้นงงี้จะรู้สึกตัวมากกว่าอันนั้นรู้สึกตัวสิเพราะว่าสภาวะที่จิตหลงสภาวะที่จิตรู้เป็นอารมณ์ปรมัส่วนความคิดเป็นอารมณ์บัญญัต ถงั้นตอนที่เห็นความคิดมันเกิดเองแล้วความคิดมันดับไปก็ก็ยังไม่รู้สึกตัวใช่ไหมอย่างแต่ถ้ารู้ว่าจิตคิดรู้สึกตัวรู้ว่าจิตคิดนะใช้ได้รู้ว่าจิตหลงไปคิดใช้ได้รู้เรื่องที่คิดมันธรรมดาใครๆก็รู้เพราะงั้นอย่างเราบอกว่าเราทํากรรมฐานทํานิพพาสนาโดยการรู้ว่าคิดอะไรคิดอะไระนั้นหมามันก็คิดมันก็รู้นะอหมาแมวมันก็คิดมันก็รู้ว่ามันคิดอะไรไม่แปลกไม่อัศจรรย์ แต่ถ้าใจของเราไหลไปคิดแวบบเราเห็นว่าไหลไปคิดอย่างนี้ซิ่อัศจรรย์ตอนนี้หลงไปอีกแล้วรู้สึกไหมเ<อ>นี่ย<อ>หัดอย่างนี้ใจไหลแวบต่ให้รู้ทัน<อ>ถ้าส่งต่อไปจะตื่ไม่ชีไหมวันนี้ตื่นเต้นค่ะพ่อเหรอประโยคนี้ได้ยินทุกวันว <laughs> นึกว่าวันนี้จะไม่มีใครพูด เห็นเห็นว่ามันแบบตอนแรกใหม่มาถึงน้องเขาตื่เต้นมากเลยแล้วก็ค่อยๆลดลงไปแล้วพอมาถึงตรงนี้ตึงเต้นหนักกว่าเดิมแล้วตอนนี้ยังไม่หยุดเลยค่ะไม่เต้าห้ามมันแต่เกตไม่ห้ามมันไม่ได้ค่ะเ ไ, ไ, ไม่ได้ถึ ง, <า>งห้ามนะเอาแม่ชีไม่ชีแบบนรัตการใช่ค่ะ เ, เดือนที่แล้วค่ะไปที่ไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าสุกโต ค, ค่ะพระอาจารย์แล้วมีความรู้สึกว่าจิตใจมันล่าเริศแจ่มใสแล้วก็เบิกบานและสภาวะที่เห็นนี่คือว่า มันจะเห็นสภาวะใจมันรู้สึกเฉยๆแล้วกายมันรู้สึกว่ามันเหนื่อยล้าอะไรเงีย้ยค่ะมันมันจะแยกกายกับจิตให้เราดูให้เห็นความมิเที่ยงอะไรเงี้ยเออดีแล้วดีเข้าใจเรื่องที่อยู่นะแล้ววันพุ่นี้จะเดินทางไปที่วัดป่าสโกตโตของหลวงพ่อคําเขียนเจ้า่ะเออนะหลวงพ่อคําเขียนนะ่ะพระแท้ๆเลยนะแท้แท้ๆพระดีๆอายากนะพราที่พูดแต่เรื่องสติไปเยี่ยมท่านนะท่านเล่า เนี่ท่านไปเทศที่ส่วนลุมนะคนไปว่าท่านทําไมเทศแต่เรื่องสติทําไมไม่สอนเรื่องศีลต้องต้องถือศีลก่อนสิท่านหัวเลาะนะท่านบอกว่าก็ถูกของเขาเหมือนกันแต่เราก็ถูกอย่างของเราคือถ้ามีสติมันก็มีศีลมีสติมันก็มีสมาธิมีปัญญามีสติมันก็ละอกุศลมีสติมันก็เจริญกุศลดีแล้วแมช่ชีที่ดําเนินจิตอยู่ตอนนี้ถูกต้องแล้วนะ อย่าไปทำอะไรเพียเพ้ยนเชียนขึ้นนะดังนั้นอยู่ที่นั่นได้อยู่ไปเลยภาวนาอย่างนั้นดีหลวงพ่อไพ่สาลท่านก็ดีนะเมตตาสูงมีอะไรติดขัดก็ถามหลวงพ่อคำเฉียงไม่มีพลาดสามคนนี้หลงอยู่แถวปิ๊กปิ๊กโบอะไรพวกนี้ส่งกันบ้านเนี่ยแล้วจะส่งหอเปล่าส่งแล้วเอาใหม่มไปพูดอยู่ไหนล่ะ เอาไปนวดนวดเหรอไปเร็วพี่ขอเลื่อนการส่งกันบ้านได้ไหมครับเอไปเร็วไปส่งกับแพทย์สีานเลื่อนไปนอนแค่ไหนอ่ะะช่วงที่ผ่านมาจิตใจมันเฉยๆครับเพราะทิ้งข้อวัดไปแต่พอวัดนแต่พอต้องนั่งสมาธิต้องเดินจงกรมไม่ทิ้งข้อวัดนะแฉ่พอมันเฉยได้ที่ปุ๊บ มันจะเริ่มรู้สึกว่ามันเฉยไม่ได้อีกแล้วอะไรเงี้ยเฉยจนเต็มที่แล้วก็เอดีแล้วอยู่ไมได้แล้วนะโบก็หลังจากที่ไม่อยู่กับหลวงพ่อค่ะกลับไปก็รู้สึกว่าขยันมากขึ้นนะคะแต่ว่างานก็เยอะก็เลยเออปฏิบัติทุกคืนนะคะก็เลยไม่รู้ว่าขณะนี้เป็นไงขณะนี้ตอนนี้ตื่นเต้นค่ะรู้สึกไหมจิตมันออกนอกค่ะ ให้รู้ทันนะเราไม่ได้ส่งไปข้างนอกในขณะเดียวแต่ไม่ได้อัดเข้าไว้ข้างในไม่ส่งนอกไม่ส่งในไม่ประคองไว้ตรงกลางด้วยจิตไหลไปข้างนอกก็รู้ทันจิตไหลเข้าข้างในก็รู้ทันจิตอยู่กลางกลาก็รู้ทันจิตประคองไว้ก็รู้ทันจิตเป็นไงก็รู้ทันสภาวะทั้งหลายเสมอภาคกันหมดนั่นต่อไปต่อไปหลงนานนะคะหลงนานไม่ดีนะ แล้วก็พยายามที่จะมาทําพุทโธค่ะก็ไม่ได้เรื่องเลยค่ะทําไมอ่ะทําไมพุทโธไม่ได้เรื่องอ ม, มันไม่อยู่กับคือมันจะแบบว่าเดี๋ยวก็แวบไปคิดอย่างนี้ยค่ะไอ้นั่นแหละดีให้พุทโธเพื่อจะได้ให้รู้ว่ามันแวบไปคิดแต่มันเหมือนนั่นมันคิดนานไปหน่อยอ่ะหรือนานไปหน่อยถาว่านานไปหน่อยเนี่ยแสดงว่าอยากให้สั้นกว่านี้ ถ้าเมื่อไหร่จิตมันจําสภาวะที่หลงไปคิดได้นะพอมันไหลแวบมันจะรู้สึกเองจะสั้นก็ฝึกไปนะอย่ า, อยาถอยนะต้องฝึกตายถ้าส่งไมค์ไปคืนทางโน้นก็ครี๊เข้าแอ บ, บยึดไปได้แล้วที <c oughs> นี้ไปแย่งมาอีกเออเขียวว่าไงก็คือผมตอนนี้ผมจำอารมณ์ไม่ค่อยได้ครับมันเหมกับว่าเท่าที่อ่านมาคือความจำอารมได้เป็นเหตุใกล้ให้สติเกิด ทีนี้ผมก็แบบเวลารู้ไปก็แบบมันรู้ใหม่แต่ว่าแบบมันมีปัญหาขึ้นมาจริงเพราะว่าเราจำอารมณ์เราไม่ได้อย่างเวลาเราเกิดไม่ได้สติไม่เกิดนี่ทำไมถึงจะจําได้ต้องเห็นบ่อยๆนะถ้าเห็นบ่อยถึงจะจําได้เหมือนเราเห็นข้อเราบ่อยๆเนี้ยพ่อมาจําได้วิธีที่จะเห็นบ่อยนะก็ต้องทํารูปแบบขึ้นมานหนึ่งก่อนจะพุโทโธก็ได้จะหายใจอะไรก็ได้นะ มีกรรมฐานอันนึงขึ้นมาก่อนแล้วก็คอยดูสภาวะของใจเช่นพุทโธพุทโธใจหนีไปคิดแล้วก็รู้อะไรเงี้ยพุทโธแล้วใจนิ่งนิ่งก็รู้ใจเครียดเครียดก็รู้พุทโธแล้วฟุ้งซ่านก็รู้พุทโธแล้วใจเป็นยังไงก็รู้ไปเรื่อยๆต้องหักซ้อมนะซ้อมดูสภาวะทุกวันทุกวันแล้วสติจะเกิดไวเหมือนนักมวยนะเป็นแชมป์โลกก็ยังต้องซ้อมชกนะถ้าไม่ซ้อมชกเวลาชกจริงง้างหมัดอยู่นั่นชกไม่ออกสตินี่ก็เหมือนกันต้องซ้อม อย่าทิ้งรูปแบบของการปฏิบัติจําเป็นทุกวันต้องแบ่งเวลาไว้ไหวพ้พระสวดมนต์ทำสมาธิเดินจงกรมอะไรอย่างน้อยห้านาทีสิบนาทีต้องทํานะห้านาทีก็พอก็ยังดีเช่นห้านาทีนี้นั่งเห็นร่างกายนี้หายใจไปเรื่อยๆนั่งดูร่างกายนี้หายใจไปเห็นมันหายใจเข้าเห็นมันหายใจออกดูไปสักพักหนึ่งใจลอยไปคิดเรื่องอื่นรู้ว่าใจลอย ดูไปอีกดูไปีกมันไปเพ่งใส่ลมหายใจรู้ว่าไปเพ่งลมหายใจดูไปเพื่อให้เห็นความเปลี่ยนแปลงให้เห็นการทํางานของจิตใจเราไปเรื่อยๆในสุดมันจะแม่นจจําแม่นแล้วพอสภาวะเกิดแนละ้วสติจะเกิดเองถ้าเราไม่มีการฝึกซ้อมเรากิ้งรูปแบบของการปฏิบัติไปเลยในขั้นเบื้องต้นนี่ทําไม่ค่อยไหวน่าไปถึงไหนล้ะเชิญเ อ, อการตามรู้สติให้มันเร็วเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยเราจะ รู้ตอนที่มันดับไปแล้วเนี่ยอถูกต้องแล้ะแล้วมันจะอย่างนี้จะถูกซ่อมไหมครับถูกต้องแล้ะเพราะเกิดเนี่ยกระดับนี่มันมารู้มันก็ทั้งเกิดทั้งดับพอกันไปแล้วเอมันจะไปรู้ได้ตอนที่อกุศลดับไปแล้วเพราะอะไรเพราะสติเนี่ยมันไม่เกิดร่วมกับอกุศลในขณะที่ใจลอยเนี่ยมันจะรู้ว่าใจลอยไม่ได้เพราะมันไม่มีสติเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นก็ไม่ใจลอย เพราะฉะนั้นการดูจิตนี่เป็นการตามดูแต่ต้องตามแบบติดติดไปเรื่อยนะตามแบบกระชั้นติดไปอ้าคุณธีินาธินภัทรุงเวียนกรรมไปถึงแล้วส่งกันบ้านฮะไม่ส่งกันบ้านเนาะอ้าส่งมา ก, ก่อนส่งมา ก, ก่อนวันนี้มันประลาดประหลาดนะคะหลวงพ่อมันเหมือนกับว่าดําเนื่อยแล้วติดมันตั้งตั้งออกมาเกินแล้วก็ มันเหมือนร่างกายไม่ใช่เราตลอดเวลาแต่ว่าใจมันเคลื่อนออกไปข้างหน้า น, นิดนึงแล้วมันไปแปะไว้เหมือนมันจะพักพั่ะเอาให้มันพักไปนะไม่ฝืนนะถ้าฝืนแล้วจะปวดหัวเอใจมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นยังไงคือโตล่อเป็นไงปิดเทอมอยู่ครับเลยไม่ได้ทํากันบ้านมาส่งครับเออเหรอแต่ไม่ได้เป็นลาครับจะรอเปิดเทอมแล้วค่อยลอกกันบ้านเนาะ่เปิดเทอมไม่ทำกันบ้าน ไม่ได้เว้นวักครับแต่ไม่ได้ทำกันบ้างทําได้ยังไงช่วยแนะนําบ้าง เ, ออเวลาภาวนานะาสติมันเกิดเองนะมันไม่รู้จบเดรกยังไงแต่ว่าที่ทําอยู่ตอนนี้พอใช้ได้นะไม่ได้เสียหายอะไรสติมันก็เกิดเองหล อ, อกใช้ได้อยู่อาจารย์ตีแล้วนะโตไม่ใช่ไม่ดีผมขออนุญาตนิดหนึ่งครับตรงที่ว่าอาจารย์จะแนะนําให้ทําสมถะ เมื่อวานนี้ได้ลองไปเจริญดูอยากจะเรียนให้หลวงพ่อได้ทราบว่าทำอย่างนี้เนะี่ยถูกไหมครับคือว่าถ้าไล่มาจากองค์ต้นๆเนี่ยดูเหมือนว่าทำให้เป็นคือว่าเริ่มต้นจากตรงจิตที่เราเคยระลึกรู้แล้วมันว่างตรงนี้พอสังเกตตรงนี้จะพบว่ามันมีอารมณ์เฉยๆตรงนั้นอยู่เราสังเกตอารมณ์ที่เฉยๆแต่แล้วแต่เราห่วงความความอ่า หนวลงอันนั้นเขาไว้เราจะพบว่าตรงนั้นน่ะถ้าเราสังเกตดีๆมันจะมีอาการที่แบบว่ามีความสุขอยู่ด้วยเราก็เราก็คล้ายๆสังเกตสุขให้ตัวนั้นให้เด่นขึ้นมาพอเราสังเกตสุขตัวนั้นเด่นขึ้นมาปุ๊บก็จะเห็นว่าองค์สุขนั้นเ อ, อ่ออิ่มขึ้นมาแทนครับและหลังจากนั้นที่เราเฝ้าสังเกตองค์สุขตัวนั้นเราก็จะเห็นว่าในนั้นก็มีปิติอยู่ด้วย มีความสู้ทราบหรือบางทีเป็นความเบาสบายเราสังเกตตัวนี้หน่วงอารมณ์ตัวนี้ขึ้นมาก็าจะพบว่าองค์ปิติถ้าเป็นสู้ซาบก็จะขึ้นหัวขึ้นมาขึ้นเนื้อขึ้นตเต็มเลยเมื่อเราอยู่ที่องค์ปิติตรงนี้เราเพบว่าในขณะนั้นเนี่ยเราสามารถมีความคล่องตัวที่จะอจะคิดนอนคิดนี่อะไรอย่างเนี้ยคล้ายๆกับว่าจิตมันก็มาอีกอีกแบบหนึ่งอะไรอย่างเนี้ยครับหลังจากนั้นแล้วอถ้าเรา หน่วงไอ้ความปิติหรือความเบาสบายตัวนั้นเข้าไว้เราก็จะสังเกตเห็นสุขตัวนั้นมีอยู่ยืนด้วยเช่นกันเราก็หน่วงเอาสุขนั้นขึ้นมาเราจะพบว่าไอ้ตัวปิตินั้นหายไปมีองค์สุขนั้นขึ้นมาแทนในองค์สุขตัวนั้นพอเราหน่วงความสุขนั้นเข้าไว้เราจะพบว่าตรงนี้เนี่ยคล้ายๆกับว่าจิตมันดําเนินเองอยู่ แต่ว่าในขณะนั้นน่ะมันมีความนิ่ง <c oughs> ความเบาสบายเมือ่อเมื่อเราสุงเกตความนิ่งความเบาสบายเราก็ไอความสุขตัวนั้นมันหายไปกลับกลายเป็นเป็นว่าง <c oughs> เป็นนิ่งมาแทนตรงนี้และหลังจากนี้ตรงนี้ปั๊บเนี่ยหลวงพ่อเขารว่าเออเราคล้ายๆเหมือนเราลงไปแล้วเราขึ้นมาแล้วเมื่อขึ้นเมื่อขึ้นเมื่อลงไปแล้วทีนี้เรามาอยู่ตรงที่ปกติที่เราเคยทําก็คือว่าเราก็ตามรู้ไปเรื่อยๆก็จะเห็นรู้รู้รู้เผลอรู้อะไรไปเหมือนเดิมอยากทราบว่าไอตรงที่ อที่ไล่ความรู้สึกตรงนั้นตรงน<ล>ี้เป็นก็ถูกแล้วถูกแล้วล่ะถือว่าเป็นสมถะเปนสมถะนะคือเวลาดูจิตเนี่ยมีจิตอยู่สองดวงที่ใช้ทําสมถะอันแรกเลเรียก อ, อากาสานัญญาตนาจิตอันที่สองเรียก อ, อากินจัญญายยตนาจิตก็มไม่มีอะไรกับจิตที่ว่างแล้วเราดูในความว่างก็จะมีปีติมีสุขนะก็มีปีติเกิดขึ้นสติแล้วรู้ปีติดับไปเกิดความสุข สติระลึกรู้ความสุขความทุกข์ก็ดับไปเกินเบรกขาตั้งมั่นก็ดูอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าตัวสาคัญก็คือเมื่อออกมาอยู่กับโลกข้างนอกแล้วอย่ายหลงทั้งความรู้สึกภายใไนไว้อาจารย์ยังตรึงความรู้สึกอยู่นิดนึงรู้สึกไหมใช่ครับเออตัวนี้แม่วนะเดี๋ยวจะติดให้รู้ทันปล่อยให้หมดอนะ่ะครับ ในขณะที่เรากําลังตามรู้ของเราอยู่เนี้ยเราจะพบว่ามันมีสภาวะธรรมชาติที่ที่ที่เราคุ้นเคยอยู่อย่างหนึ่งทีนี้ในขณะที่เดินภาวนาไปเนี่ยถ้ามันมีอ่ามันมีอะไรที่อย่างหนึ่งที่มันมันมั น, ม, นมันแปลกปลอมเข้ามาเรารู้ว่าสิ่งเนี้ยมันไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่เราเคยกร ะ, กระทบอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นสิ่งอื่นที่เข้ามาอย่างนั้นไหมครับได้ดูได้ ภายในภายนอกนะใช้ได้แนคะ่นะั้นแะกระทั่งเห็นผีสังนางไม้มาก็ได้แล้วอาจารย์ไปเจอผีตะเคียนที่ไหนอ่ะวัดโค้งเนี่ยหรอวัดอะไรนะออหนองเรงนะอ๋ออยู่วัดนองเรงนองเ ล, ง, ง, เลงก็ดีนะท่านใจดีใครไฟภาวนานะคนไปภาวนาพระหรือโยมอะไรเงี้ยถ้าสนใจภาวนาจริงๆริง มาเรียนที่นี่นะไม่มีที่พักเนะ่ไปขอพักที่ท่านได้แต่ท่านก็ไม่ได้รับทุกคนนะวันไหนบางทีท่านก็ไม่รับพระบางองค์ไว้ก็มีถ้าทางไม่เรียบร้อยเนะี่ยก็ไม่รับไปถ้าสนใจการปฏิบัติจริงๆนะมุ่งปฏิบัติจริงๆไม่ไปก่อเรื่องอนะไรเงี้ยท่านก็ให้อยู่นะผมก็ปฏิบัติมาเกืวันนะครั บ, รบยังเผลออยู่เรื่อยๆจะทำยังไงดีโยม<ง>ไม่ห้ามเผลอนะ แต่เผลอเรารู้ไวๆหน่อยไม่ใช่ฝึกไม่ให้เผลอนะยังไงก็ต้องเผลอยังรู้ชายอยู่ใช่ไหมครับอะไรนะยังรู้ชายอยู่ใช่ไหมครับไม่มาเกี่ยค่อยเร็วขึ้นเรื่อยๆใหม่ๆเนี่ยเรายังจําสภาวะได้น้อยแล้วก็สติเกิดน้อยแต่ไปจิตมันจําสภาวะได้เยอะจําได้แม่นจําได้มากสติจะเกิดเร็วขึ้นเร็วขึ้น <ๆ S 1> มันอยู่ที่ชั่วโมงของการฝึกของเรา หยบค่อรู้ค่อยดูเท่าที่ดูได้ต้องสบายนะดูไปอย่างสบัยสบายอย่ารีบร้อนการปฏิบัติถ้ารีบร้อนเมื่อไหร่นะยิ่งเสียหายให้ดูเล่นๆดูไปเรื่อยๆดูเท่าที่ดูได้รู้บ้างเผลอบ้างรู้บ้างเผลอบ้างไปถ้าใจเรามีฉันทะคือมีความพึงพอใจที่จะคอยรู้การรู้ใจตัวเองสติมันจะค่อยมากขึ้นเองมันจะขยันดูขอมีฉันทะคือมันสนใจที่จะดูนะมีริยาก ความภาคเพียรความขยันดูมันจะเกิดเเราขยันดูจิตใจเราจะตั้งมั่นจดจ่อในการรู้ในการดูไม่หนีวักแว บ, บไปที่อื่นหรอกนี่จิตตะมันเกิดขึ้นวันวันหนึน่งใจเราก็ไม่ไปคิดอะไรฟุ้งซ่านที่อื่นนะคิดสนใจแต่เรื่องกายกับใจของเราเองเขาเคลียอยู่กับการศึกษาธรรมะที่คือวิมังสาพอใจเราไปศึกษาเรื่องกายศึกษาเรื่องใจดูกายดูใจมากเข้ามาเข้ า, า, ข า, า, ข า, ขาปัญญามันเกิดมันเกิดความเข้าใจปัญญาคือความเข้าใจ มจะเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจพ อ, อมันเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจว่ามันไม่ใช่ตัวเราเหรอก ม, มันจะปล่อยวางมิมุติจะเกิดขึ้นมันจะวางความยึดถือกายยึดถือใจจิตใจเราก็จะเป็นอิสระมีความสุขล้วนๆในคราวนี้ทั้งวันทั้งคืนนะมีแต่ความสุขพึ่งมาปฏิบัติพึ่งมาที่นี่ครั้งแรกอะค่ะทีนี้มีคําถามคำถามคือว่าปฏิบัติอยู่ที่ออท่านอาจารย์โกเอนก้านะคะ ทีนี้เนี่ยตอนนี้รู้สึกว่ามันแน่นตึงแล้วก็ปวดแล้วก็แก้ปัญหาตรงนี้ไม่ได้อ่ะคะ่ะก็ถูกแล้วดี่นะท่านกกยก้าสอนให้ดูเวทนาก็ต้องปวดสิ <c oughs> จะต้องทํำยังไงบ้างอาจารย์ให้ดูเวทนาก็ต้องปวดแหละนะไม่ใช่ดูเวทนาแลแ้วแหมมันสบายทั้งวันทั้งคืนไม่เลยหรอไม่ใช่ค่ะมันจะเป็นรู้สึกเหมือนกับว่าพอตัวเองเท่งแล้วก็ดึงดึงกลับม า, าไม่ได้เท่งเ ม, มื่อ ไ, ไหอไร่นะ ก็เครียดเมืนั้นเครียดเรามันก็เพ่งเราก็าพอรับผิดแล้วเราพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เพ่งแต่สอนให้รู้งั้นจะหัดแยกสภาวะของการรู้กับการเพ่งให้เป็นเมื่อไหรจงใจจะปฏิบัติเมื่อนั้นจะไปจ้องใส่มันจะไปเพ่งความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นถ้าหัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆรู้สบายๆสติเกิดเองจะไม่เครียดนะของคุณมันจงใจเยอะไปนิดนึง คือการปฏิบัติมันทางใครทางมันนะถ้าอยากฝึก ด, ดูเวทนานะจะปฏิเสธทุกไม่ได้นะเพราะมันต้องทุกแน่นอนอย่างกอลงพ่อนี่เรียกสุก ข, ขาปฏิบัติฝุก ข, ขาจริงๆนะเดินจงกรมยังไม่ค่อยเดินเท่าไหร่เลย <c oughs> มีธุระก็เดินไม่มีธุระก็นั่งกาบหุวงพ่อค่ะ คือเผลอบ่อยแล้วก็เลยชำเลืองใช้ชำเลืองดูเอาไม่ทราบว่าจงใจชำเลือง อ, อยู่นะก็จงใจใช่ใช่เอออย่าไปจงใจยังจงใจปฏิบัติแล้วมันยังแข็งแ ข, ข็งอยู่รู้สึกไหมใจของเราแข็งแ ข, ข็งนิดนึงนั้นยั<ช>ยงจงใจทําอยูตอ่ต้องต้องทํำยังไงด้วยนะให้รู้ทันว<ช>่า<ๆ>จงใจอย่าอยากปฏิบัติถ้าเมื่อไหร่อยากปฏิบัตินะเมื่อน่าจะจงใจเมื่อไหร่จงใจก็จะเข้าไปกําหนดเข้าไปเพ่งจ้อง ใจก็จะเครียดเครียดหนักหนักขึ้นม า, าให้ก <ทำ S 2> ล่อยให้กายให้ใจทำงานไปแล้วตามรู้เอาค่ะคือองนีคะคือคือสสัยอย่างตอนที่เวลาที่เราทำงานบ้านทำเรีย บ, บททั่วไปนะคะอตนนี้ตรงนั้นเนี่ยเราควรจะดูตรงไหนเพราะว่าจิตมันก็มันจะนิ่งมาก จิตมันจะนิ่งเหมือนกับสมมติเรากําลังล้างจานหรือกวาดบ้านอะไรอย่างเงี้ยจิตมคือมันก็จะตตรงใจกําหนดก็กันถ้ากําหนดมากๆมันนิ่งแล้วก็แล้แลจะให้มันอยู่ตรงไหนล่ะคะจิตไม่ได้อยู่ที่ไหนจิตเกิดตรงไหนดับตรงนั้นอย่าไปตั้งไว้ที่ไหนนะก็ให้อยู่กับคืออย่างนี้อยู่ยกับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันหมายถึงว่าร่างกายเคลื่อนไหวสติรู้ทันจิตใจเคลื่อนไหวสติรู้ทัน ไม่ได้อยู่ที่ใดที่หนึ่งหรอกเดี๋ยวก็รู้กายเดี๋ยวก็รู้จิตเช่นเราทํางานบ้านทํางานบ้านเราก็เห็นร่างกายมันทํางานไปใจเป็นคนดูร่างกายทํางานใจเป็นแค่คนดูนะเหมือนใจเป็นคนดูเห็นร่างกายมันทํางานทํางานไปนสักพักทำงานบ้านของเราวัดบ้านเจอคนเอาทิปฝุ่นมาซ่อนไว้ตรงนี้ชักโมโหแล้วรู้สึกว่าช่วยกันทําตบประปรบทั้งบ้านเลยมีเราทําความสะอาดอยู่คนเดียวโมโหแล้วเดี๋ยรู้ทันว่าโมโห อย่างนี้นะคือคือตรงที่มีอะไรมากระทบเนี่ยเราจะรู้แต่ว่าบางช่วงมันจะเหมือนกับมันจะนิ่งไปอ่ะนิ่งให้รู้ว่านิ่งนะคําว่านิ่งไปเนี่ยหมายถึงรู้สึกว่านิ่งมากไปค่ะให้รู้ทันหรือว่าชัดไม่ชอบมันละเพราะงั้นใจมันนิ่งรู้ว่านิ่งนะมันก็นิ่งช่วคราวเดี๋ยวมันก็ไม่นิ่งดูไปเรื่อยๆแล้ ว, แ ล, ว, แ, ลวแล้วสมมติเวลาที่เราเดินจงกรมเนี่ยบางทีเราเราจะรู้สึก ถึงการเคลื่อนไหวได้ไหมค่ะได้สิเดินทุกก้าวที่เดินต้องรู้สึกนะไม่งั้นเดี๋ยวเดินเหยียบหมาเหยียบแมวอะไรไม่ดีแต่อันนี้มันไม่ใช่เป็นสมมติว่าถ้าบอกว่าดูเวลาเราอะไรแล้วเราดูกายอเนี่ย น, นะคะมันก็ไม่ใช่ปรมามัดคืออย่างนี้ให้ทําความรู้สึกแค่ว่ารูปนี้เคลื่อนไหวอยู่ใจเป็นแค่คนดูนะไม่ต้องไปคิดเรื่องปรมัดนะ เห็นว่าไอ้ตัวเนี้ยไม่มีชื่อเลยไม่ต้องใส่ชื่อว่ารูปเคลื่อนไหวด้วยนะคําว่ารูปเคลื่อนไหวนี่ก็ก็บัญญัติแล้ว <c oughs> เห็นตัวนี้พยักหน้าเีย <c oughs> เห็นตัวนี้มันไหวอย่างเงี้ยเห็นตัวนี้มันขยับเงี้ยะเออเห็นอย่างเงี้ยแต่ว่าระวังนิดเดียวอย่าปิดตรึงความรู้สึกไว้ของคุณยังติดการตรึงความรู้สึกให้นิ่งตัวนี้ยังเป็นปัญหาอยู่นะ <c oughs> ค่อยๆดูตัวเนี้ยต่อไปเราจะรู้เลยที่ไม่ไม่ตรึง รู้โดยไม่ตื่นความรู้สึกเนี่ยอย่างเราจะเห็นรูปเคลื่อนไหวเนี่ยใจจะไม่มีน้ำหนักแต่ถ้าเมื่อไหรจงใจนะตัวนิไหวนะน้ำหนัก<ต>มันจะเกิดขึ้นที่นี่แล้วจุดหนึ่งสมมุติว่าเพอเราเผลอแล้วเราแวบแล้วคิดได้มันดับไปเนี่ยแล้วตรงนั้นจิตมันไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนอะค่ะจิตที่เผลอไปเหรอไม่ค่ะเพราะเผลอรู้มันดับไปใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันเหมือนกับไม่หาไม่เจอเอออย่าไปหามันมันแค่เกิดขึ้นมาแล้วมันก็ดับไปอีกแหละ อย่างเวลามันเผลอไปคิดนะพอรู้ว่าเผลอไปคิดก็รู้สึกตัวขึ้นมาอย่าไปดูว่ามันตั้งตรงไหนนะตรงที่พยายามหาที่ตั้งตอนนั้นหลงตั้งใหม่ละก็คือปล่อยให้มันเผลอไปอ่ะคือถึงไม่ปล่อยมันก็เผลอไม่ใช่ปล่อยให้เผลอนะถึงไม่ปล่อยมันก็เผลอแล้วเผลอแล้วรู้เผลอแล้วรู้ฝึกแค่นี้พอละเผลอแล้วรู้ไปเรื่อยๆนะไม่ใช่ปล่อยให้เผลอนะถึงไม่ปล่อยก็เผลอ ยิ่งบังคับไว้เท่านั้นยิ่งเสือกลับมาพิการหลวงพ่อจ้าค่ะหนูมีคำถามอยากจะถามที่หลวงพ่อบอกว่าคนที่รักเสือรักงามจะต้องออตันหาจริตกับทิฏฐิจริตนะคะเราจะทราบได้ยังไงว่าเราเป็นอย่างไรเพราะว่าภายนอกกับภายในเนี่ยมันไม่แน่คนข้างนอกรักเสยอรักงามแต่ก็าอาจจะมีความคิดคือแต่ละคนเนี่ยไม่ได้มีจริตตันเดียวทุกคนเป็นส่วนผสมทั้งหมดเลย ว่าทุกคนมีทั้งตัณหาและทิฏฐิบางช่วงตัณหาเด่นบางช่วงทิฏฐิเด่นก็มีนะเปลี่ยนไปเปลี่นมาได้ก็มีอย่างแต่เดิมรักสวยรักงามมากเลยมาภาวนาไปช่วงหนึ่งหมดความรักสวยรักงามนละ้อย่างนี้ก็มีให้เราสังเกตใจเราไว้ใจของเราเนี่ยวันวันหนึ่งคิดแต่ในเรื่องโลภมากหรือเปล่าหรือว่าคิดมากใจของเราโลภมากหรือว่าใจของเราคิดมากค่อยสังเกตเอา แต่เฉลยเลยก็รักันนะโยมคิดมากนะเอย่าให้ไปดูเลยคิดหนักกว่เก่ายู่งตายแล้วเราจะแก้ยังไงที่ไม่แก้ก็่อที่คิดมากไปแต่ให้รู้ว่าคิดมันคิดแล้วเรารู้ว่าคิดมันคิดแล้วเรารู้ว่าคิดแค่นี้ก็ปฏิบัติแล้วถึงจุดหนึ่งเราจะเห็นเลยจิตจะนี้ไปคิดห้ามมันไม่ได้จิตจะรู้สึกตัวสั่งให้รู้สึกตัวไม่ได้ในที่สุดรู้เลยเราทําอะไรไม่ได้เลยมันไม่ใช่เราสักอันเดียวอหมดห้องแล้วนะวันนี้เอาแค่นี้